มีคำถามวะ ม, มีคำถามอยู่หลายคำถามเจ้าค่ะ uh ่ huh. จะเริ่มต้นด้วยคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินะเจ้าคะจากท่านแรกถามพระอาจารย์ว่าการดูลมหรือการเดินจงกรมที่ถูกต้องจะต้องทําอย่างไรและจะทราบได้อย่างไรว่าได้ทําได้ถูกต้องและก้าวหน้าแล้วเจ้าค่ะนะ uh huh. การดูลมหายใจที่ถูกต้องก็ดูตามที่บทพยัญชนพศัสดาได้อธิบายไว้เลยว่าเมื่อหายใจเข้ายาวเนี่ยก็รู้ หายใจออกยาวรู้หายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกสั้นรู้นะถ้าเราดูตรงนี้นะอนอนอานาปานาสติเป็นอย่างไรเล่าอานอน์ภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาก็มาโดยรอบตั้งกายตรงนะแล้วนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบ ไม่ได้บอกว่าขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาไม่ได้บอกว่าเอาขาขัดกันอะไรก็แค่คู้ขาเข้ามาโดยรอบใครจะวางขายอย่างไงก็ได้แต่ขอให้คู้ขาเข้ามาโดยรอบอนี้แล้วก็ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกไม่ได้บอกว่ามือวางยังไงจะวางยังไงก็ได้ตามสะดวกแค่ตั้งกายตรงนะดํารงสติมั่นหรือดํารงสติเฉพาะหน้าแล้วก็มีสติหายใจเข้าหายใจออก <c oughs>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 มันจะสั้นจะยาวก็คือปล่อยตามธรรมชาติของมันไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรลมหายใจเราก็ไม่ได้บอกว่าต้องมีคำพูดอะไรในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ต้องไปเติมคำพูดอะไรทั้งนั้นสมมุติว่าโยมไปเจอพระศาสดาต่อหน้าอย่างนี้แล้วพระศาสดาก็สอนอนาปานสติอย่างนี้โยมทำตามทุกบทพิษณะที่พระศาสดาพูดตรงๆก็แค่นั้น รู้พร้อมเพาะซึ่กายทั้งปวงทำกายสังขารในลำงับนะระงับการปรุงแต่งทางกายนะให้จิตรู้อยู่กับกองลมทั้งปวงรู้ลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลอหอกแค่นีนะ้อันนี้จะเป็นส่วนของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะจะมีที่พระเจ้าตรัสเรื่องของอานาปานสตินะ รัดตรงนี้กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทําจิตตสังขารให้ลำงับนะทุกครั้งที่มีปิติมีสุขเห็นจิตตสังขารแล้วทาจิตตสังขารให้ลำงับก็ยังมีหายใจเข้าหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขก็หายใจเข้าหายใจออกมีลมหายใจอยู่ตลอดเวลารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนะ ทำจิตให้ปราโมดยิ่งอยู่ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ทำจิตให้ปล่อยอยู่นะแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืน <c oughs> นี่คือ4กลุ่มของอานาปาณสตินะสรูปแบบใน4ี่กลุ่มนี้เวลาพระองค์บอกเช่นกลุ่มแรกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะจนถึงทำไกด์สังขารในลำงับ แล้วองค์ก็จะเลยต่อไปจนถึงพุทชงเจ็ดบริบูรณ์วิชาวิมุตรบริบูรณ์นะพออานาปาณสติบริบูรณ์เนี่ยสติปัฏฐานสี่จะบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์พุทชงเจ็ดจะบริบูรณ์พุทชงเจ็บริบูรณ์วิชาวิบูติจะบริบูรณ์แค่รู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเนี่ยทำสามารถทําวิชาวิมุติให้บริบูรณ์ได้คือเข้าถึงนิพพานโดยตรงได้เลย นั้นการรู้ลมหายใจก็ทําแค่นี้รู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกนะจิตเคลื่อนออกไปปั๊บก็ละความเพลินแล้วกลับมาอยู่กับลมซึ่งพระองค์บอกว่าการที่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยในกลุ่มเนี้ยจะเรียกว่าเป็นกายานุปัสนา10ประฐานนะเมื่อหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะในกลุ่มนี้จะเรียกว่า เป็นกายานุปัสนาสิกธานอีกกลุ่มหนึ่งจะเรียกว่าเวทนานุปัสนาถ้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทาจิตตสังขารให้ลํารับกลุ่มนี้เป็นเวทนานุปัสนาถ้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทําจิตให้ปลาโม่ทําจิตให้ตั้งมั่นทําจิตให้ปล่อยนี่เป็นการเห็นจิตในจิตนั่นคือเรารู้ว่าจิตเราเนี่ยกำลังรู้ลมหายใจนี่เป็นการเห็นจิตในจิตแล้ว ซึ่งตรงนี้เนี่ยพระองค์จะบอกว่าเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุ น, นั้นในเรื่องนี้พิสูจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ลมหายใจเท่ากับเป็นการเห็นจิตในจิตครบอยู่แล้วนะจิตรู้ลมหายใจใครสังเกตที่ลมเป็นกายานุปัสนาใครสังเกตว่าจิตเรากําลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสนา ใครรู้สึกถึงความเฉยๆขณะที่รู้ลมหายใจเป็นเวทนานุปัสสนานะใครเห็นจิตแปลเปลี่ยนไม่เที่ยงจางคลายเป็นธรรมานุปัสสนานะเป็นสี่กลุ่มในส่วนของการเดินจงกรมก็คือเดินตามปกติ <c oughs>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 อย่างนี้แลภิสูจนเป็นผู้ประอกอบด้วยสติสัมปชัญญะโยมเดินปกติอย่างไรก็เดินปกติอย่างนั้นนะเดินเอาจิตอยู่กับกายนะรู้การก้าวก้าวต่อก้าวแค่นี้พระองค์เคยพูดคำว่าในบาลีจะมีเดินช้า <c oughs> เดินเร็ว <c oughs> เดินย่อง <c oughs> เดินกระโยกแต่พระองค์ไม่เคยอบอกอธิบายการเดิน ในลักษณะของการเดินจงกลมว่าจะต้องเดินแบบนั้นแบบนี้นะก็บอกแค่ว่าการก้าวไปถอยกลับเร็วดูแลดูผู้แขนเหยียดแขนนะแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเดินช้าไม่ได้บอกว่าเดินเร็วไม่ได้บอกว่าเดินย่องไม่ได้บอกว่าเดินกระโยงคำพวกนี้ในบาลีมีหมดพระศาสดาห้ามพิสุจเดินย่องห้ามพิสูจเดินประยงนะในละแวกบ้านนะเป็น อากัปกิริยาที่ไม่สมควรนะจะมีอยู่ในเสขียวัตรนะในการออกเดินบินตบานหรือการเข้าไปในระแวกบ้านพระศาสดาเคยพูดอุปมาในเรื่องของการบรรยายลูกประพันธ์สันธานแห่งอกุศลมิตกโดยอุปมาเปรียบเหมือนว่าเดินเร็วไปทําไมเดินช้าดีกว่าเดินช้าไปทําไมยืนดีกว่ายืนไปทำไมนั่งดีกว่านั่งไปทําไมนอนดีกว่า ที่บอกมานี่อธิบายเพื่อให้เห็นถึงว่าพระศัสดาเคยพูดเดินช้าเดินเร็วเดินย่องเดินกระโยงแต่พระศัสดาไม่เคยเอามาสอนเกี่ยวกับเรื่องการเดินจงกรมให้เรามีรูปแบบที่ผิดไปจากการเดินปกตินั่นก็คือเดินปกติเดินธรรมดาเพียงแต่เดินเอาจิตอยู่กับกายนะไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรที่ให้แปลกไปพระศาสดาเคยฝึกวัดตามพวกเดลอถีด้วยการเดินเดินกระโยง เดินย่อมย่อมช้าๆความช้าของท่านเนี่ยช้าขนาดที่ว่าแม้แต่หยาดแห่งน้ําสัตว์ทั้งหลายอย่าได้กระทบกระเทือนหรือที่ว่าอย่าได้ลําบากเพราะเราเลยแต่พระองค์ก็ไม่สําเร็จนักผลและพระองค์ก็เลิกข้อปฏิบัตินั้นไปแล้วนะแล้วก็กลับไปลองทําข้อวัดตามแบบของปริพาชคและเดลทีในแบบอื่นๆต่อไปแล้วก็เห็นว่า ไม่ประสบผลสำเร็จไม่ใช่หนทางสู่ความหลุดพ้นไปนอนในข้อวัวข้อควายกินขี้วัวขี้ควายไปเดินบนน้ำนอนบนน้ำนั่งบนน้ำนะไม่อาบน้ำตลอด1ปีนะไม่เอามือลูบฝุ่นนะก็ได้ทดลองมาหมด นะเป็นการ <c oughs> ประพฤติวัดอย่างพวกเดลทีเขาทํากันนะอย่างลักษณะของลูกขวัตนะทุลีเกิดกลังแล้วที่กายสิ้นปีเป็นอันมากขึ้นเป็นสเก็ดนะความนึกคิดว่าโอ้หนอเราพึงลูบทุลีนี้ออกด้วยฝ่ามือเถิดดังนี้ไม่มีแกเราตรงไม่เอามือเนี่ยลูกฝุ่นที่ตัวไม่อาบน้ำตลอดเป็นปี เชคุชิวัตนะเรานั้นมีสติก้าวขาไปก้าวขากลับโดยอาการเท่าที่ความเอนดูอ่อนโยนของเราพึงบังเกิดขึ้นแม้นายาแห่งน้ำว่าเราอย่าทำสัตว์น้อยน้อยทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันให้ลำบากเลย น, ะนี่ในวัดนี่เป็นวัดในความเป็นผู้รังเกียตของเราค่อยๆ ย, ย่องไปเรื่อยๆค่อยๆย่ อ, อ, องช้าๆช้าๆเห็นไหมพเจ้าทำมาหมดแล้วจ้ะ นั้นคนรุ่นหลังเนี่ยไม่ได้ทราบพุทธวัฒนะในส่วนนี้นะเขาไปบัญญัติสิ่งนั้นสิ่งนี้นะกลับกลายไปเป็นวัดของแบบเดลัจีไปนะท่านหนีออกจากเป็นทาเป็นวัดในผู้แบบว่าหลีกนี้จากผู้คนถ้าเจอคนหรือเจอลายปุ๊บจะวิง่งหนีไป ลัดเลาะจากลุ่มโน้นไปลุ่มนี้ดอนโน้นไปดอนนี้นะเพื่อไม่ให้เจอผู้คนเลยนะก็ไม่สําเร็จเหมือนกันนี้แลเป็นวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วของเรา <c oughs> เรานั้นโครเหล่าใดออกจากข้อหาคนเลงไม่ได้เราก็คลานเข้าไปในที่นั้นถือเอาโคไม้ของลูกน้อยๆที่ยังดื่มนมแม่เป็นอาหารนะอุจจลรัปัสสาวะของตนเองยังไม่หมดเพียงใด เราก็ถือเอาอุจจาระปัสสาวะเป็นอาหารตลอดการเพียงนั้นนะผู้เจ้ากินขี้วัวขี้ควายเป็นอาหารจนกระทั่งปัสสาวะอุจจาระของท่านไม่หมดจากตัวท่านก็จะไม่เอาขี้วัวขี้ควายกินจนกระทั่งอุจจาระปัสสาวะคือขี้ไม่ออกเกี้ยวไม่ออกแล้วก็จะกินอุจจาระปัสสาวะเข้าไปนะใครว่าปล่อยวางนี่ดูพระพุทธเจ้าปล่อยวางสุดๆนะไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะนี่เป็นข้อมูลจริงที่มีในบาลีสยมรัฐ น ะ, ะที่พระตถาคตตัดว้กับสารีบุตรเมื่อสองพันร้อกว่าปีมาแล้วเล่าให้สารีบุตรฟังว่าพระองค์เนี่ยประพฤติวัดของเดลถียังไงบ้างนะแต่ไม่ประสบผลสำเร็จท่านเข้าไปสู่ชัดแห่งป่าหน้าพึงกลัวนะตลอดแปดวันที่หิมะตกนะ ตลงก็นั่งกลางหิมะนะตลอดแปดวันไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะกายเปลือยเปล่านะหนาวที่สุดร้อนที่สุดดูซิจะเป็นยังไงคิดว่าจะสำเร็จเพราะหนาวที่สุดร้อนที่สุดก็ไม่สำเร็จสารีบุตรคาถาอันหน้าอัศจรรย์อันเราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนมาแจ้งแกเราว่าเรานั้น แห้งแล้วผู้เดียวเปียกแล้วผู้เดียวอยู่ในป่าน่าพึงกลัวแต่ผู้เดียวเป็นผู้มีกายอันเปลยเปล่าไม่ผิงไฟเป็นมุนีขวนขวายสแสวงหาความบริสุทธิ์ดังนี้ท่านเป็นนอนในป่าช้านอนทับซากกระดูกนะนอนทับกระดูกแห่งซากศพทั้งหลายฝนะูงเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้เรานะทายปัสสวะลถใส่ท่านนะ โอ้ลองใส่หูสัดฝุ่นใส่เอาไม้แหลมๆทิ่มเข้าไปในช่องหูบ้างสารีบุตรเราไม่รู้สึกซึ่งจิตอันเป็นบาปต่อเด็กเลี้ยงโคทั้งหลายเหล่านั้นแม้ด้วยการทำความนึกคิดให้เกิดขึ้นนี้เป็นวัดในความเป็นผู้อยู่เบกขาของเรานผู้เจ้าลองมาหมดเนี่ยถ้าเราไม่เคยศึกษาตรงนี้เราจะไม่รู้ว่าพระศาสดา ข, ของเราเนี่ยลาบากขนาดไหน ก่อนจะตัดสรุปเป็นอน ร, รันตสัมาสัมพุทธเจ้าทุกบทพิษณะที่พระองค์กลั่นออกมานะเป็นบัญญัติปัญญัตินิรุตติคือภาษาพระองค์กลั่นออกมาด้วยสมาธิทุกครั้ง <c oughs> คําพูดพระองค์จึงไม่ผิดพลาดพระองค์บอกพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวตรัสกับอัคเวสณนะนะบอกอัคคีเวสณนะจาเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคําสุดท้ายแห่งการกล่าวเล่งนั้น ย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในผู้เจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวเพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องไปสงสัยในคําของพระผู้มีพระพากเจ้าท่านบอกแค่นี้ทําแค่นี้บอกแค่นี้ทําแค่นี้ทําตรงๆ ต, ต, ตามที่ผู้เจ้าบอกผู้เจ้าพูดแค่นี้เราจะทํายังไงให้เหมือนกับที่ผู้เจ้าพูดใช่ไหมเพราะท่านกลั่รร้างมาเป็นอย่างดีแล้ว และความสามารถอย่างที่สองในการพูดของพระศาสดาก็คือพระองค์บอกว่าคําพูดของพระองค์เนี่ยสอดรับกันตลอดทั้งชีวิตบอกกับพิสูุทั้งหลายว่านับตั้งแต่ลาตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่าสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นพระศาสดาเนี่ยคำพูดสอดรับกัน ทั้งชีวิตตลอด4 5พรรษาที่ถ่ายทอดบอกสอนหมาคือคืนตรัสรู้ถึงคืนปรินิพานนั้นในเมื่อคําพูดพระเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้เนี่ยศาสนาพุทธจะมีสายมีนิกายไม่ได้จะมีความขัดแย้งหรือความไม่เหมือนกันไม่ได้เหตุของความไม่เหมือนกันหรือความขัดแย้งเกิดมาจากใครจํามาผิดใครไปเพิ่มเติมใครไปตัดทอนแค่นั้นเองมันอยู่แค่นั้น โยมเดินตรงตามพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเหมือนกันทั่วทั้งโลกซึ่งจริงๆพระศาสดาก็าสั่งไปแล้วว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจับไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไปแล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น เพราะฉะนั้นพระาศาสดาสั่งไว้เลยอย่าว่าแต่ฆราวาสเลยภิกษุก็ห้ามห้ามภิกษุห้ามสาวกของท่า น, นที่เป็นอุปสำบันคือนักบวชเนี่ยที่จัดเป็นเนื้อนาดีในาศาสนาของท่านว่าห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิกถอนนี่เป็นหนึ่งในธรรมของความเจริญที่ไม่เสื่อม ัดไว้ก่อนปรินิพานในมหาปรินิพานสูตรนั้นเราชาวพุทธทุกวันนี้จะต้องมีฮิริโอต ป, ปะคือมีความละอายและเกรงกลัวในคำพระศาสดาไม่ละเมิดบทบัญญัติและคำสอนของพระศาสดาเดินตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติแค่นั้นเองนั้นการเดินจงกรมก็เดินตามปกติ เดินเอาจิตอยู่กับกายระวังจิตไม่ใช่ระวังการเคลื่อนไหวของกายระวังจิตเราว่าจิตเราเคลื่อนออกไปไหมเคลื่อนออกปั๊บรีบละความเพลิ่นแล้วกลับมาอยู่กับกายของเรารู้อยู่กับเท้าที่ก้าวต่อก้าวการก้าวไปแต่ละก้าวคอยระวังจิตยมจิตเคลื่อนปั๊บเอากลับมาจิตเคลื่อนปั๊บเอากลับมาแค่นั้นเองนะนั่งสมาธิก็นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออก อย่าให้มีคำพูดอะไรในใจนเราคิดเรื่องลายตาย ป, ปั๊บรีบวางกลับมาสูดลมหายใจเข้าออกโยมลองสูดหายใจทีเดียวสูดเข้าปล่อยออกโยมไม่ได้คิดอะไรทำไมทำได้นั่นแหะรู้สึกแค่นั้นรู้สึกแค่ลมไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกครั้งที่หนึ่งทำได้ขั้งที่สองทำได้ขั้งที่สามทำได้ทำต่อไปเลยมันเผลอหลุดไปคิดปั๊บรีบละ กลับมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเฉยๆแค่นี้พยายามให้ทันการเคลื่อนไหวของจิตซึ่งมันรวดเร็วไวมากนะพเจ้าให้หยุดจิตตสังขาร น, นะการปรุงแต่งของจิตแล้วทาจิตตสังขารให้ลางับนะพระองค์บอกให้เรารู้จักจิตตสังขาร น, นะจิตที่มันปรุงแต่งไปนะแล้วทำจิตตสังขาร น, นะการปรุงแต่งให้หยุดให้ระงับลงนะอย่างนี้ ถ้าเราไปดูในอนาปนสติเอกกลุ่มที่สองเนี่ยจะให้รู้จักจิตตสังขารการปรงแต่งของจิตแล้วทำจิตตสังขารให้ลํางับยังก็ทำแค่นี้ในข้อที่หนึ่งคำถามต่อไปมีอะไรนะต่อจากเดินจงกรมถามว่าจะจะรู้ได้ยังไงว่าทำถูกต้องแล้วจ้ะคะ จะรู้ได้ยังไงว่าทําถูกต้องแล้วเปสิ่งใดเป็นเครื่องชี้วัดเจ้าค่ะถูกต้องหรือหรือก้าวหน้าเหมือนกับก้าวหน้าก้าหนจะทราบได้อย่างไรว่าทําถูกต้องและก้าวหน้าแล้วเจ้าค่ะทําถูกต้องและก้าวหน้าถ้าทําถูกต้องก็ย้อนกลับไปดูที่ผู้เจ้าตรัสเมื่อสักครู่นี้นะก็ตรงตามที่ผู้เจ้าบอกไหมถ้าตรงตามที่ผู้เจ้าบอกก็ถูกแล้วนะ ไม่ตรงกับคนอื่นไม่เป็นไรแต่เราตรงกับพระศาสดานั่นคือถูกต้องส่วนเครื่องวัดว่าเราจะก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าเนี่ยก็จะมีเครื่องวัดหลายอย่างเครื่องวัดอย่างหนึ่งคือโยมสามารถที่จะทิ้งอารมณ์พอใจไม่พอใจได้รวดเร็วไหมพระองค์ตรัสไว้กับพระนนว่าอานนลอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจ เป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสุจน์นั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์พานาชั้นเลิศอารมณ์พอใจไม่พอใจเกิดไปแล้วเนี่ยโยมทิ้งได้เร็วไหมในนี้เนี่ยบอกให้ทิ้งให้เร็วดุจกระพริบตาและใครทิ้งได้เร็วดุจกระพริบตาเรียกว่าอินทรีย์พวนาชั้นเลิศ นั้นก่อนที่จะถึงอินทรีย์ภานาชั้นเลิศนั่นแสดงว่าโยมคงไม่สามารถทิ้งความพอใจไม่พอใจได้เร็วดูกกระพริบตาแน่นอนมันก็จะช้าลงตามส่วนแค่นั้นแต่โยมก็จะวัดได้ว่าเราปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเราทิ้งอารมณ์ได้เร็วขึ้นไหมเพราะเป้าหมายก็คือกระพริบตาในขั้นต้ น, นตั้งไว้ก่อนเราก็จะต้องทิ้งอารมณ์ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น เพื่อให้ไปสู่ความเร็วระดับกระพริบตานะนั้นยิ่งปฏิบัติไปการทิ้งความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นในจิตของเราจะต้องวางได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมนะหรือพระเจ้าตรัสอีกว่าถ้าเราจเจริญอนิจจสัญญาเนี่ยจเจริญความเป็นอนิจจ์โนะยมรู้สึกไหมว่า เหมือนมีเพชฌฆาตเนื้อดาบอยู่ตรงหน้าเรารู้สึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าบอกว่าคนคนนั้นชื่อว่าได้ผลของการภาวนาแล้วในเรื่องของอนิจจังแต่ถ้าว่าพิจารณาอนิจจังเรื่อยเรื่อยแต่ความรู้สึกยังไม่เหมือนมีเพชฌฆาตเนื้อดาบอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้บรรลุผลแห่งการภาวนาในเรื่องของอนิจจัง ในส่วนของความพอใจยินดีนะเราพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสพฐพีห้าช่องทางของกายอยู่ตลอดเวลาแต่ใจนั้นยังเข้าไปดื่มนำในเมถุนนะยังพอใจในอัาธารดอร่อยของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสองค์ก็บอกว่านั่นก็เป็นเครื่องวัดว่าเรายังไม่บรรลุผลแห่งการภาวนา เพราะระดับของอนาคามีเนี่ยนะก็คือจะวางความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมพันธ์ได้เร็วดุจกระพริบตานะนั้นอายยตนะทั้ง5ของกายของโยมเนี่ยสัมผัสกระทบแล้วเนี่ยมีผัสสะกระทบแล้วเนี่ยเกิดพอใจไม่พอใจโยมทิ้งได้ทันทีไหมนะถ้าทิ้งได้ทันทีกระพริบตาเดียวก็จัดว่าได้บรรลุผลแห่งการภาวนา รือทิ้งได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆอย่างนี้มีเครื่องวัดหลายอย่างปฏิบัติไปแล้วเนี่ยสินห้าบริบูรณ์ขึ้นไหมสินห้าเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นความหวั่นไหวในพระรัตนไตเนี่ยความที่ไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยค่อยๆหมดไปความเชื่อมั่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ไม่มีความหวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่ามีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศินนั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปลอยนี่เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้า <c oughs> สินยมจะบริบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันสี่สิบกว่านิย ได้รวมไว้ให้ในหนังสือคู่มือโสดาบันตรงนี้นะกว่าวิธีในการตรวจสอบความเป็นโสดาบันบุคคลเราปฏิบัติมาแล้วก้าวหน้าไหมเพราะเราต้องการความเป็นอริบุคคลความหลุดพ้น จากความแก่เจ็บตายบุคคลผู้เข้าสู่กระแสของความเป็นอริยในขั้นต้นคือพระโสดาบันต้องมีคุณสมบัติอย่างไรการมีศีลห้าบริบูรณ์การไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรตยัยเรามั่นคงหรือยังศีลเราไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยหรือยังนี่เป็นเครื่องวัด เราสามารถมองของปฏิคูณให้ไม่ปฏิคูณได้ไหมเราสามารถมองของไม่ปฏิคูณให้เป็นปฏิคูณได้ไหมเราสามารถมองทั้งของปฏิคูณและไม่ปฏิคูณให้อยู่อุเบกขาได้ไหมนี่เป็นเครื่องวัดเราสามารถละความเห็นอันปาลบขันในเบื้องต้นและเบื้องปลายได้ไหมเรียกละปุกปันตานุทิฏฐิกับอปรันตานุทิฏฐิกังวล อนาคตกังวลอดีตหรือไม่ใครพยากรณ์อดีตอนาคตเราเรากังวลไหมเรายังพอใจไม่พอใจอยู่กับขันนั้นเป็นอนาคตขันนั้นเป็นอดีตไหมขันนั้นเป็นปัจจุบันกําลังพยายามถ่ายถอนความคิดมั่นถือวั่นหรือเปล่าพระโสดาบันจะไม่กังวลกับขันนั้นเป็นอนาคตและขันนั้นเป็นอดีตก็จะวางความกังวลใน ขันนาคตและขันอดีตได้และขันนั้นเป็นปัจจุบันก็กําลังถ่ายตอนความคิดมั่นถือมั่นโยมก็จะไม่มีทุกข์มีสุขกับการพยากรณ์อดีตอ น, นาคตของใครพระเจ้าบอกว่ารู้อดีตรหรือรู้อนาคตไปไกลขนาดไหนก็ตามก็รู้ได้แค่ขันห้ารู้ได้แค่รูปเวทนาสัญญาสำคัญวิญญาณรู้อดีตไปไกลขนาดไหนก็รู้ได้แค่ว่าคนนี้มีรูปร่างยังไงมีความสุขยังไงคิดยังไงปรุงแต่งยังไง ไม่รู้เกินไปกว่านั้นเพราะวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้ก็รู้ได้แค่ขันธ์้า น, นั่นเอง <c oughs> มีเครื่องวัดอีกหลายอย่างในหนังสือคู่มือโสดา บ, บันนี้พระอริเบคคนเครื่องวัดเสกภูมิเมื่อเราทำไปทำไปเนี่ยผู้เจ้าบอกว่า คนนั้นจะมียานอย่างรู้ว่าคําสอนของสำนพราหม์เหล่าใดก็ตามที่จะเลิศประเสริฐกว่าคําของพระาศาสดานั้นไม่มีแล้วเขาจะรู้ว่าคําพระาศาสดาเลิศที่สุดละเอียดที่สุดปราณีที่สุด <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นเสกหย่อมพิจารณาดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกาศาสนานี้ ซึ่งจะแสดงธรรมที่แท้จริงแน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอยู่หรือพระเสขานั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสมณะหรือพรามอื่นภายนอกจากศาสนานี้ซึ่งจะแสดงธรรมที่แท้จริงแน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคไม่มีดูก่อนพิสูจทั้งหลายปริยายแม้นี้แหลที่พิสษุผู้เป็นเสขา อ, อาศัยแล้วตั้งอยู่ในภูมิตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะ ตัวคนนั้นจะรู้ว่าตัวเองเป็นพระเสกขา่านวะด้วยเครื่องวัดแบบนี้เนะะนั้นเขาจะไม่ไปนับถือศาสดาอื่นเขาจะไม่ไปนับถือรัฐที่อื่นเพราะเขาจะรู้ว่าคำสอนที่จะนําพาเขาสู่ความพ้นทุกนั้นมีแต่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะยานอย่างรู้ในเรื่องนี้จะมีนะนี่ก็เป็นเครื่องวัดเสกขภูวมอีกอันหนึ่ง อันนี้ก็ค่อยๆไปศึกษานะเราจะได้ความละเอียดตรงนี้ทั้งหมดยังเป็นเรื่องของการเดินจงกรมอยู่นะเจ้าคะ่ะถามมาว่าในขณะที่เราเดินจงกรมแล้วก็รู้การเคลื่อนไหวแล้วจิตก็ไปรู้ลมหายใจด้วยสลับไปรู้ลมหายใจด้วยได้ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะได้อยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าลมก็คือกายกายก็คือลมนะเหมือนกัน ธาตุดินน้ำไฟลมนะมหาพุทธธาตุสี่คือส่วนก้อนกายของเราเราจะรู้ลมหายใจก็ชื่อว่ากายยคตาสติเราจะรู้ตัวธาตุดินก้อนกายก็เรียกว่ากายยคตาสติก็เป็นกายยคตาสติทั้งสิน้นพระองค์สั่งให้เราเนี่ยอย่าลืมกาย ให้ตั้งไว้ซึ่งกายยัตาสติมีสติระลึกรู้อยู่กับกาย <c oughs> นะพระองค์บอกกายยัตาสติอันชนเราไดหลงลืมอมาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมเพราะนั้นถ้าโยมลืมเอาจิตตั้งอยู่กับกายนะโยมก็ลืมอมาตาัตะคือลืมนิพพานเหมือนกันนะนั้นให้เราเนี่ยเอาจิตอยู่กับกายจะเป็นลม เป็นธาตุดินก็ได้นะอา จ, จะเป็นสองธาตุที่ผู้เจ้าเนี่ยให้อาศัยให้ใช้คนะ่อนข้างมากจะมีอีกอันที่ผู้เจ้าบอกว่ากายยัตาสตินะคือชนเหล่าใดเนี่ยที่บริโภคกายยัตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะนั้นถ้าโยมกําลังเอาสติกลับมาละลึกถึงกายโยมกําลังได้อมตะคือได้นิพพาน ยมจำคำพูดผู้เจ้าสั้นๆแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วตั้งจิตอยู่กับกายให้มากรู้สึกถึงกายเฉยๆแล้วก็เดินไปนั่งไปนอนไปได้หมดนะในขณะที่เรานั่งปฏิบัติดูลมหายใจอยู่จนจิตสามารถเคลื่อนเข้าสู่สมาธิและเราก็หยุดดูลมหายใจไปเพราะจิตกาลังอยู่ในสมาธิอย่างนี้ถือว่าถูกต้องไหมเจ้าคะ จิตอยู่ในสมาธิทนี้เราจะดูอะไรดูอะไรในสมาธิถ้าโยมดูอุเบกขาวางจิตอยู่เบกขาเฉยๆก็ได้โยมดูจิตผู้รู้เฉยๆก็ได้นี่คือมุมที่โยมจะไปดูนะโยมดูการไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืน นั้นเวลายมบอกว่ายมจะไปดูสมาธิยมดูอะไรต้องพูดให้ชัดไปเลยอยู่อุเบกขาดูจิตผู้รู้ผู้รู้เคลื่อนไปที่ไหนดูอาการไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนี่ก็คือเที่ยวไปในสติปัฏฐานทั้งสนี่คือสีที่ที่พระองค์ให้เที่ยวไปอย่าเที่ยวไปนอกจากสี่ที่นี้กายเวทนาจิตธรรม ส่วนาการของสมาธิที่จะถึงสภาวะที่อัศสาสะปัสสาสะดับนะนั่นคือเราเข้าสู่จตุตฌานคือฌานที่สนะลมหายใจจะละเอียดจนกระทั่งไม่มีก่อนลมหายใจไม่มีละเอียดพอหรือยังมันจะค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆละเอียดไปจนเหมือนกับแทบจะหาลมหายใจไม่ได้แล้วก็ ละเอียดไปจนกระทั่งไม่มีหรือว่าจับหยับหยาบอยู่ไปไม่มีเลยบางทีไปปรุงแต่งกั้นลมหายใจเองหรือเปล่าก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยแล้วจะเกิดอาการเหนื่อยหอบก็ให้ดูความเป็นไปของอาการของเราที่ขณะที่ทำสมาธิ ลมจะค่อยๆละเอียดขึ้นไปในการทำสมาธิผู้เจ้าให้สังเกตอะไรสังเกตอากุศลมีไหมอากุศลถ้าเราละอากุศลได้การพยาบาทเปลี่ยนเปลยนหรือละนิบบัตาได้ก็ได้ปฐมฌานละวิตกวิจารได้ได้ทุติยฌานละปิติได้ขึ้นมาตัติยฌานละสุขได้ขึ้นมาจตุตยฌานเครื่องวัดอีกอย่างก็คืออาศาศาส า, าสับภาษาสัมับ สิ่งที่จะทำต่อไปคือให้เห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าสมาธิทุกขั้นเวลาทำแล้วเรื่องที่สองที่จะต้องทำควบคู่กันไปคือการเห็นการเกิดและการดับของขันธ์ทั้งห้าทำสองอย่างแค่นี้จิตมีอารมณ์อันเดียวเรียกสมถะจิตเห็นการเกิดดับมีปัญญาเห็นการเกิดดับเรียกวิปัสสนาทาแค่นี้ก็ พอแล้วออท่านท่านท่านผูน้ี้เขียนเล่ามานะคะแต่ไม่ทราบว่าคำถามที่แท้จริงคืออะไรเจ้าค่ะเล่ามาว่าเวลาที่นั่งดูลมหายใจไประยะหนึ่งในช่วงที่นิ่งสงบดีมีเสียงเป็นพยัญชนะขึ้นมาว่าเมตังมะมะเมโซมัตสมิเมโสอัตตาทำให้การดูลมหายใจจากตัวที่ดูอยู่ที่กายขณะนั้น กลับถูกตัวดูอีกตัวหนึ่งมามองดูการดูลมมามองดูลมหายใจออืน่าจะเป็นเรื่องของการดูเป็นจิตตาแล้วเราจะไปจับพระอาจารย์ตัวหลังนี้มองเห็นกายและมองเห็นการไหลของลมออืที่อยู่ในกายนั้นไปด้วยเจ้าค่ะมันอันนี้เราพออย่างนี้เจ้าค่ะ อ, อก็ <c oughs> ผู้เจ้ก็ให้เวลาจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยไม่ให้ไปเป็นจิตที่ตั้งมั่นซะเองก็คือพร่องให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นก็จะเหมือนกับเป็นผู้ดูจิตที่ตั้งมั่นอีกทีหนึ่งนะเราพยายามเข้าไปเฝ้าดูสภาวธรรมต่างๆนะที่มีอยู่เป็นอยู่ในขณะนั้น รู้ลมหายใจเข้าออกนะดูว่าใครเป็นผู้รู้ลมลมเป็นยังไงใครเป็นคนรู้ลมนะในขณะที่เรากำลังเป็นผู้เฝ้าดูเรื่องอะไรก็ตามอย่างนี้บิญญาณจะเกิดดับสลับกันไปตลอดเวลานะนั้นตัวเนตังมะมะเนสโสมัสมินะเมโสตาก็คือ นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราลมก็ไม่ใช่เราผู้รู้ลมก็ไม่ใช่เร า, เรานะแต่เราก็ยังเป็นผู้รู้ลมอยู่ขณะนั้นยังแกะไม่ออกนะแต่เราก็ปฏิเสธปฏิเสธไปด้วยการเห็นผู้รู้ลมเนี่ยมีการเกิดการดับการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาก็คือวิญญาณดูวิญญาณจิตดูจิตนั่นเองะเห็นซ้ําๆเห็นซ้ําๆอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย ขอให้พระาอาจารย์อธิบายเรื่องการละนันทีพร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วยเจ้าค่ะละนันทีอย่างโยมกําลังคิดอะไรเพลินๆเนี่ยโยมก็รีบทิ้งไปแล้วกลับมารู้ลมแค่นั้นเองอย่าให้จิตผูกกับอารมณ์นั้นๆไปจะเป็นการฟังเสียงจะเป็นการได้กลิ่นการลิ้มรสนะการรู้ธรรมรมได้ใจ ใจไปคิดอดีตคิดอนาคตรีบวางแล้วกลับมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเอาจิตตั้งอยู่กับกายเขาไว้ให้มากนะแล้วลากความเพลินในเวทนาสัญญาสังขาร3ตัวนี้นะเกิดสุกเวทนาขึ้นทุกเวทนาขึ้นรีบวางเกิดสัญญาความจําได้ใหมารู้รีบวางเกิดคิดปรุงแต่งไปในเรื่อง ใ, ใดๆมาก็รีบวางวางให้หมด แล้วกลับมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกนะทาแค่นั้นที่สอนกามิกาชาระก็จะสอนว่าแกพิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมย์ยมกำลังเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมา สมมติว่ามีธรรมารมที่เราเสยยพูเมาเราโกรธอยู่ก็โกรธอยู่อย่างนั้นหรือมีใครเข้ายกยอปอปั้นเราเราก็เพลิดเพลิน พ, พร่ำสรรเสริญซึ่งคำยกย่อปอปั้นเหล่านั้นเราก็เพลินกับอารมณ์นั้นมีความยินดีอยู่คิดเพลินไปเลยอันนี้เรียกว่าเราเพลินในอารมณ์ การมีอาการอย่างนี้แหละพระองค์บอกนันทิย่อมเกิดขึ้ น, นเมื่อนันทิคือความเพลินมีอยู่สาราคะความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมมีถ้าโยมเพลินกับอารมณ์ใดแสดงว่าโยมเนี่ยกำลังพอใจอย่างแรงกล้าในอารมณ์นั้นเมื่อสาราคะความพอใจอย่างแรงกล้ามีอยู่สัญโยคะความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมี ก็แสดงอีกว่าโยมกำลังมีจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นเองภ <c oughs> ิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองจะปะลินิพานไม่ได้จะไปอยู่ในท้องถ้ำาชเงื้อผาป่าช้าป่าชัดก็ถือว่ายังมีเพื่อนสองอยู่นั่นเอง เพราะเพื่อนสองในจิตนี่มันเกิดตลอดเวลาเพราะเราไปเพลินกับมันไปผูกกับอารมณ์นั่นเองก็ทุกอารมณ์ทุกเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์การดูการเกิดดับในขณะที่กำลังนั่งสมาธิเจ้าค่ะทำได้อย่างไรเจ้าค่ะ การดูการเกิดดับในขณะนั่งสมาธิทำได้อย่างไรเวลาจิตโยมจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามมั่นใจไหมว่าไม่มีอะไรเกิดดับพระศาสดายืนยันว่าขันธ์ทั้งห้า ย, ยังเกิดดับในสมาธิทุกขั้นเจ็ดระดับแรกตั้งแต่ชาหนึ่งสองสามสี่อากาสานาญจายตะวนะิญญาณาญจายนะอากิจัญญาเนะขันธ์ทั้งห้า ย, ยังเกิดดับอยู่หมด ขันห้าเกิดดับในฌานทั้ง4ขันทั้งสี่ยังเกิดดับอยู่ในสมาธิ3ระดับต่อมาอากาสาวิญญาอาคินเพราะฉะนั้นสมาธิเจ็ระดับแรกยังมีการเกิดดับของขันทั้ง5้าให้ปรากฏเห็นอยู่แต่เราไม่สังเกตหรือสังเกตไม่ทนันมองไม่เห็นเพราะยิ่งสมาธิยิ่งละเอียดมาก การเกิดดับก็จะน้อยบางเบาลงไปเกิดนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองโยมจะสังเกตยากนะง่ายก็คือมันเคลื่อนไหวช้ายากก็คือมันบางเบามันละเอียดมันไม่ได้เคลื่อนไหวนานมันเคลื่อนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอย่างนี้นั่นก็คือโยมต้องสังเกตจิตที่ตั้งมั่นให้ดีว่ามันนิ่งอยู่อย่างนี้ตลอดจริงหรือเปล่ามีการขยับไปคิดนิดหนึ่งไหมนิดหนึ่งไหมอย่างนี้อืต้องสังเกต ดีมากๆเลยการเป็นแป้งของจิตนิดเดียวนะขยับนิดเดียวก็เกิดดับแล้วนะสมาธิที่ชอบเข้าใจผิดกันอีกนะนะมักจะพูดว่าคณนิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิซึ่งพระศาสดาไม่เคยพูดเลยตลอดชีวิตนะเป็นการบัญญัติสพท์ขึ้นใหม่ ในยุคหลังนี่คือสมาธิเก้าระดับที่พระศาสดาบัญญัติมีแค่นี้นะไม่มีคณิกะอาปชาปรับปัญหาลองสแกนให้ดูก็ได้นะเราสแกนคำว่าคณิกะสมาธิเข้าไป <c oughs> กดค้นหาตรงนี้ไม่พบคำว่าคณิกะสมาธิ คีย์คำว่าอุปจารสมาธิกดค้นหาไม่พบคำว่าอุปจารสมาธิคีย์คำว่าอัปปนาสมาธิไม่พบคำว่าอัปปนาสมาธิคำที่ถูกแต่งใหม่โยมอย่าสืบทอดและถ่ายทอดต่อเพราะาศาสดาไม่เคยพูดทั้งชีวิตเลย เรากำลังถ่ายทอดสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้กับคนอื่นต่อไปเรื่อยๆนะและกำลังทรงไว้ซึ่งกรารยานวัตที่ศาสดาไม่ได้บัญญัติซึ่งพระเจ้าตรัสกับพระนนว่าอานอน์ความขาสูนแห่งกรารยาณวัตนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอานอน์เกี่ยวกับกรารยาณวัตนั้นเราขอกล่าวย้ากับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลาย จะพากาันรประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอยากเป็นบุตพวกสุดท้ายของเราเลยกัลยาณวัตรที่พระองค์ตั้งนะบัญญัติในรุติภาษาต่างๆศ า, าสดาเป็นคนบัญญัติอย่าลืมอย่าลืมกฎข้อนีนะ้ว่าหน้าที่ของศาสดาคือผู้บัญญัติหน้าที่ของสาวกคือผู้เดินตามถึงเธอจะเป็นพระอหรหันต์ ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาก็ตามเธอก็เป็นแค่คนเดินตามนี่คือความต่างกันของความเป็นพระอาหารหันต์ประเภทพระพุทธเจ้ากับประเภททั่วไปตัดไว้อีกเหมือนกันภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้อาารันตสมาสัมพุทธะได้ธรรมมรที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นมรรคเนี่ยที่ยังไม่เกิดเนี่ยให้เกิดขึ้นเพราะใครเพราะพระพุทธเจ้า ได้ทำมัคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ไม่มีใครรู้มัคตาถาโพธิ์เนี่ยเป็นคนทำให้พวกเธอทั้งหลายเนี่ยรู้มัคนะสาวกต้องคำนึงไว้เลยว่ารู้มัคได้เพราะศาสดาไม่ใช่ตัวเองนะเพราะนั้นบัญญัติอะไรเองไม่ได้ได้ทำมัคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมัคที่กล่าวกันแล้วที่พูดที่สอนกันเรื่องมัคมกักันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพระศาสดา ให้มีการกล่าวมักกันหนทางถึงความพ้นทุกข์ตถาคตเป็นมักคันยูรู้มักเป็นมักขวิทูรู้แจ้งมักเป็นมักขโกวิทูเป็นผู้ฉลาดในมักส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นมักคาลู ค, คาผู้เดินตามมักเป็นผู้ตามมาในภายหลังภิกษุททั้งหลายนี้แหลเป็นความผิดแกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เป็นเครื่องกระทาให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะกับภิกษุผู้ปัญญาบิมุตพระที่เป็นพระอรหันตหลุดพ้นด้วยปัญญาต่างกับพระอรหันตประเภททุพระเจ้าอย่างนี้นะนั้นจะมาอ้างคาสอนของพระอรหันตอะไรไม่ได้นะพระอรหันตมีหน้าที่ฟังคำศาสดาปฏิบัติตามตรงๆแล้วถ่ายทอดคำศาสดาเท่านั้นนะ มีดน่นท่านนี้ถามมาว่าในการนั่งสมาธิถ้าเราตรวจสอบตามพุทธวจนะแล้วว่าบางขณะของการนั่งเราสามารถละวิตกวิจาร์ได้แล้วหรือบางช่วงละปิติได้แล้วแต่เป็นช่วงๆไม่ตลอดแสดงว่าการได้ฌานหนึ่งถึงสอาจสลับไปมาได้หรือไม่หรือว่าถ้าได้ฌานจริงๆแล้ว ชนันเช่นถ้าได้ชา้นสแล้วจะไม่มีจะไม่มีชานหนึ่งและสองขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยเจ้าค่ะอยู่แต่อยู่ที่กําลังของแต่ละคนเวลาได้ชานหนึ่งเนี่ยอกุศลก็จะเป็นอาพาธมันจะคอยกลับตกลงไปพอขึ้นชานสองนะตัววิตกวิจารจะเป็นอาพาธของชานที่สองพอขึ้นชาน3ปิติมันจะเป็นอาพาธห้คุณธรรมธรรมะที่เพิ่งทิ้งไประดับ ในแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันจะมาคอยเป็นอ า, าพาธของความสงบในระดับต่อไปอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นถ้ากําลังยังไม่มากยังเข้าออกไม่จำนานนะมันก็จะลดลงขึ้นลดลงขึ้นของมันเนี่ยเป็นธรรมดานะก็ไม่ไม่ต้องมองเป็นของแปลกอะไรมองเป็นธรรมดานะจะอยู่ในสมาธิระดับใดก็ได้ก็ ใช้ในการหลุดพ้นได้ทั้งหมดเหมือนกัน <c oughs> ถ้ากล่าวว่าจิตมีการเกิดดับแล้วเวลาที่เราตายไปถ้ามีเหตุปัจจัยให้ต้องไปเกิดอีกจิตที่จะไปเกิดใหม่ก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วใช่ไหมเจ้าคะเพราะไม่มีตัวเรา <c oughs> แล้วกรรมที่เคยทำไว้จะชดใช้ได้อย่างไรกับใคร <c oughs> ก็ถ้าจิตที่ไปเกิดใหม่ไม่ใช่ตัวเรา <c oughs> แล้วกรรมจะไปรอเราดังนั้นกรรมก็เป็นอัตตา ไม่มีเกิดดับหรือเจ้าคะไม่ใช่เข้าใจผิดหลายเรื่องนะผู้ที่รับกรรมผู้ที่เหมือนกับพระเจ้ายมจะสงสัยว่าอ้าวแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเล่าว่าท่านเกิดเป็นช้างเป็นมา้าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นพรามเป็นเทวดาพรหมแล้วตอนนี้มาเป็นพระพุทธเจ้า มันต้องมีคนหนึ่งที่สืบต่อมาเรื่อยๆนในความเป็นตัวตนตรง น, นั้นแต่ตรง น, นั้นเนี่ยจะบอกเป็นตัวตนก็ไม่ใช่ <c oughs> นะสภาวะตรง น, นั้นผู้เจ้าจะเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นต้องฟังดีๆนะ เพราะการที่โยมบอกว่าวิญยาณเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นมิจฉาทิฐิที่ภิกษุชื่อสาติเกวตตบุตรเนี่ยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วผู้เจ้าตาหนิสาติว่าเป็นโมฆะบุรุษนะแล้วยังบอกว่าเธอยังพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่ผิดรุนแรงถึงขนาดจะไล่ออกจากพระภิกษุเลยเห็นผู้เจ้าถามสาติวินยาณเป็นอย่างไร ยมเข้าใจวิญญาณเป็นอย่างไรเห็นนะสาติบอกว่านั่นคือสภาพที่เป็นผู้พูดผู้รู้สึกนะซึ่งเสวยวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายในภพนั้นๆคิดเหมือนเรามั้ยพูะพุทธเจ้าบอกว่าโมคะบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วนี้เมื่อแสดงแก่ใครเล่าไหนเราเคยแสดงธรรมว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแก่ใครที่ไหนเมื่อไหร่ ไห น, ไหนบอกมาสิสาติตอบไม่ได้โมคค บ, บุรุษเรากล่าววิญญาณว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นนันมากก็คือเป็นธรรมชาติที่อาศัยการและกันในการเกิดขึ้นเกิดขึ้นระดับไปอยู่ตลอดถ้าเว้นจากปัจจัยซึ่งแปลว่าเหตุถ้าเว้นจากเหตุแล้วเนี่ยความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณมิได้มีดังนี้ไม่ใช่หรือโมคค บ, บุรุษ เมื่อเป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยไท้ยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งมีใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยโมคบุรุษข้อนั้นแหละจับเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกือ้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานเห็นนะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุสาติเกวัตตบุตร ยังพอนับว่าเป็นพระเป็นสงในธรรมวินัยนี้ได้บ้างไหมัะไล่ออกจากพระเลยนะเข้าใจผิด <c oughs> มีสภาวะอันหนึ่งที่เรียกว่าผู้มีอวิชชาความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกัน้นมันมีความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นเขาและมีตัณหาเป็นเครื่องผูกทำให้ ยึดติดอยู่ในขันห้ายึดติดอยู่ในสังสารวัฏเกิดตายเกิดตายไปตลอดยึดว่าวิญญาณเป็นเราและเกิดตายไปกับวิญญาณดวงแล้วดวงเล่าที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยแต่เกิดดับเร็วมากจนเราคิดว่าว่ามันไม่เกิดไม่ดับความเร็วของการเกิดดับของวิญญาณเนี่ยพระองค์บอก ความเร็วในการเกิดดับของวิญญาณเนี่ยบอกยากที่จะหาอุบมาด้วยซ้ํมามักจะอุปมาการเกิดดับของวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนฟองน้ําฝนตกลงมาบนผิวน้ำเนี่ยเกิดเม็ดฟองยิบไปหมดเลยนั่นน่ะวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาเลย เร็วมากนั้นไม่มีวิญญาณเวียนว่ต า, ายเกิดคนที่รับกรรมเนี่ยก็คือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นและถ้าอาวิชชาดับไปแล้วจเจริญมรรคแปดทำวิชาให้เกิดขึ้นแล้วตัวผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นหมดอวิชชาแล้วมีวิชาแล้วจะเรียกว่าวิมุตติยานัศนะผู้รู้ในบิมุิ ซึ่งวิมุตติยนานทัศนะนั้นเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏดับไม่มีสิ่งนี้จึงเรียกว่าอัตตาไม่ได้เพราะการเรียกอัตตานั้นยมจะเรียกตัวตนเนี่ยต้องมีเกิดปรากฏมีตัวมาให้เรียกว่าตัวซะก่อนการจะมีตัวมาให้เรียกว่าตัวก็ต้องมีตัวเนี่ยเกิดโผล่ขึ้นมาแม้ศักว่าอานูเดียวอะตอมเดียว นิดเดียวก็ต้องมีโผล่ขึ้นมาถึงจะบัญญัติสิ่งนั้นได้การบัญญัติอะไรได้ต้องบัญญัติภายใต้เกิดปรากฏถ้าเกิดไม่ปรากฏยมจะไปบัญญัติอะไรได้สภาวะธรรมตรงเนี้ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นกับวิบุติยันทศนะซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันที่ไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสือ่อมแล้วจะไปบัญญัติอะไรมันได้ก็ต้องเรียกมันอย่างเนี้ย ขณะที่มันยังมีอวิชาก็เรียกว่ามันมีอวิชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพอมันมีวิชาแล้วก็จะเรียกว่าวิมุตติยานทัศนะผู้รู้ในวิมุตติซึ่งจะมีคุณสมบัติเหมือนกับวิมุตติคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนัเรียกว่านาปปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิด นวายโยปัญ ญ, ญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมนะัถิตัสสัญญาตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะยังอื่นปรากฏ น, นั้นสภาวะนี้จึงเรียกอะไรไม่ได้โยมจะบอกว่าตัวตนก็เรียกผิดเพราะตัวมันไม่มีให้เรียกก็ต้องเรียกอย่างพระศาสดาเพราะนั้นเวลาเราจะเรียกอะไรก็ตามต้องพูดตามศาสดาหมดเลย มันมีความละเอียดของธรรมชาติมากจนเราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปบัญญัติอะไรได้นะการบัญญัติก็คือคําพูดที่จะพูดออกมาเนี่ยนะคือการบัญญัติคําพูดเนี่ยต้องตามภาษาสด า, า, าเลยต้องเป๊ะหมดไมนะ่อย่างงั้นก็จะเข้าใจอย่างสาตินี่แหละพูดเองพูดไปพูดมาเข้าใจผิดนี่ขนาดเป็นพิษุในธรรมวินยัยในครั้งพุทธกาลนะยังเข้าใจผิดเลยเห็นไหม นั้นก็จะเข้าใจผิดเหมือนเหมือนกับเราชาวพุทธทุกวันนี้ทั้งหลายนั่นเองไม่ต่างกันทีนี้กรรมคืออะไรโยมเข้าใจผิดในเรื่องของกรรมอีกพระศาสดาอธิบายเรื่องกรรมไว้ชัดเจนมาก พระองค์บอกกรรมเปรียบเหมือนผืนนาเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาแล้วงอกขึ้นมาขณะเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาเนี่ยเรียกว่ามีกรรมกรรมคือผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนากรรมเกิดขึ้นแล้วแล้ว มเมล็ดพืชเนี่ยงอกมาเป็นต้นพืชด้วยยางในพืชที่พระเจ้าบอกว่าเรามีกรรมเป็นผาพัน์มีกรรมเป็นทายาส์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยก็คือตัวมเมล็ดพืชเนี่ยได้มาจากของเก่าและกรรมเนี่ยเกิดจากผัสสะพระเจ้าบอกผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมและผัสสะเป็นความดับของกรรมผัสสะใหม่นะผืนนานั้นจะเป็นกรรมใหม่ต่อไปมเมล็ดพืชดูดซึม นะแล่ธาตุในผืนนานั้นจเจริญงอกงามออกมาเป็นต้นเพราะอาหารในผืนนานและเพราะเผ่าพันธุ์เดิมคือเมล็ดของมันว่าดีเร็วอย่างไรพระองค์ยังเปรียบอีกในพระสูตรต่อไปเปรียบผืนนานคือกรรมเนี่ยมีสามระดับผืนนานที่เป็นกรรมธาตุรูปธาตุอรูปธาตุ พระเจ้าบอกว่าอนนนถ้ากรรมอันมีรูปรธาต์เป็นวิบากเนี่ยไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเจริญงอกงามขึ้นมาได้ไหมสิ่งเหล่านี้พระองค์แยกระดับกรรมเนี่ยเป็นสามระดับจะสอนรับกับการได้อัตตาซึ่งเป็นสามระดับเหมือนกัน อ น, อนนต์ถ้ากรรมมีรูปธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีแล้วไซรูปภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่าอานุน์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงชื่อกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันตั้งอยู่ในตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลาง คือรูปธาตุการบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปย่อมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เรื่องพวกนี้พระสูตรพวกนี้โยมต้องนั่งสมาธิแล้วเอาไปไข้ควรดีๆทีละคำทีละคำโยมจะค่อยๆเข้าใจแล้วเปรียบเทียบอาการจิตของตัวเองว่าจิตเราเนี่ยไปรับรู้อารมณ์นี่คือไปสร้างภพไปสร้างการเกิดหรือไปสร้างกรรมนั่นเอง เพราะอีกพระสูตรหนึ่งพระาศาสดาอุปมาพบเหมือนผืนนาเหมือนกั น, นเราจะเห็นว่าแม้แต่อุปมาก็เปลี่ยนใหม่ไม่ได้ต้องตามพระพุทธเจ้าเลยเพราะพรุทธเจ้าอุปมาพระองค์มันจะลิงก์กันเชื่อมกันหมดทุกพระสูตร น, นี่คือความเลิ่ของคําพระาศาสดาพระองค์บอกกรรมเปรียบพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเห็นไหมเมล็ดพืช เหมือนอันเหมือนอันเดียวกันนะเหมือนกับอุปมาเมื่อสักครู่นี้นั้นอุปมารแรกกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเหมือนเมล็ดพืชอีกอุปมาหนึ่งบอกว่าพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาคือได้พบและเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเพราะน้ําน้ําคือตัวความเพลินพอใจ นั่นที่ราคะเพลินและพอใจเปรียบเหมือนน้ำซึ่งลดไปในเมล็ดพืชทำให้เมล็ดพืชเนีงอกขึ้นมานั้นขณะที่จิตยอมรับรู้อารมณ์ปั๊บเนี่ยพบเกิดขึ้นจิตยอมรู้อารมณ์นั้นต่อไปงอกละนะเพลินและพอใจต่อไปก็เรียกว่าชาติเกิดขึ้นแล้วชาติมีขึ้นแล้วจิตรับรู้อารมณ์ครั้งแรกเป็นพบ รู้ต่อไปเป็นชาติจบด้วยชราหมรณะจิตดับปับ๊บจิตดวงใหม่เกิดขึ้นผู้มีอวิชชาความไม่รู้ก็ไปควา้ายึดจิตดวงใหม่เป็นตัวมันต่อสร้างพบรู้ต่อสร้างชาติจบด้วยชราหมรณะถ้าจิตยงได้สมาธิชา้าๆจิตเคลื่อนไหวชา้าๆค่อยๆสังเกตดูดีๆจะเห็นพบชาติชราหมรณะรับรู้ใหม่พบ ชาติชลามอนนะอยู่ตลอดเวลาเลยนี่คือสังสารวัตวัตตะของจิตซึ่งร่างกายโยมยังไม่ตายมันก็เป็นความคิดโยมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคิดเรื่องใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าร่างกายแตกทำลายปั๊บเนี่ยโยมกําลังคิดเรื่องอะไรนั่นคือพบใหม่อัตภาพใหม่ของเรานะขณะนั้น ส่วนใหญ่เรามองพบเนี่ยเป็นแค่ด้านรูปธาตุอย่างเดียวมองแค่ว่าเปลี่ยนรูปธาตุแต่เวลาเปลี่ยนนามธาตุอีกสามตัวมองไม่ออกว่ามันเป็นพบด้วยเพราพบคือสถานที่เกิดของจิตจิตรับรู้ปับ๊บพบคือที่เกิดมีแล้วนะรู้ต่อไปเพลินเรียกว่าชาติวิญญาณเจริญงอกงามไพบุญ ล, ละต้นพืชงอกขึ้นแล้วนะ ค่อยๆ ค, ค, ค่อยควรพระสูตรเหล่านี้ให้ดีแล้วโยมจะเข้าใจเรื่องเรื่องกรรมเรื่องภพเรื่องวิญญาณการเวียนเกิดเวียนตายจะเข้าใจหมดนั้นเรื่องปฏิจจสุบัตเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะตอบโจทย์ตอบปัญหาโยมในเรื่องพวกนี้ได้ทั้งหมดอันนี้เป็นคำถามจากอีกท่านหนึ่งนะคะแต่ว่ายังเป็นเรื่องของจิตนะคะว่ายังสงสัยเรื่องจิตคะว่าถ้า ถ้ากายตายแต่จิตไม่ตายแล้วถ้าจิตไม่ตายจิตไปไหนหลังจากที่กายตายแล้วเจ้าค่ะจิตไม่ตายจิตไปไหนจิตตายตลอดเวลาเป็นความเข้าใจใช่โยมต้องใช้ตั้งแต่บทพจนะพระศาสดาคำว่าจิตมโนวิญญาณบัญญัติสับสามตัวนี้เหมือนกันสามชื่อคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์ ชื่อที่4เรียกว่าวิชานาติจิตมโนวิญญาณวิชานาติ4ชื่อนะก็คือตัวเดียวกันคือวิญญาณขันผู้รู้ที่เข้าไปรู้ในลูกเวทนาสัญญาสังขารนะนั้นยมบอกจิตไม่ตายผิดมาตั้งแต่คำถามนะจิตเกิดตายตลอดเวลาเลยพระาศาสดาบอกว่า เรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้เกิดดับตลอดอาศัยเหตุปัจจัยสรุปว่าโยมเข้าใจผิดในวิญญาณพระศาสดาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนแล้วไหนว่าจิตไม่ดับนั่นคือเราพูดเอง พูดตามใครก็ไม่รู้หรือพูดตามการปรุงแต่งของตัวเองใช่ไหมแต่พระเจ้าบอกจิตเกิดดับตลอดความเกิดดับมันรวดเร็วจนกระทั่งโยมมองไม่ออกว่ามันเกิดดับพระาศาสดาจึงบอกว่าปูุ้ชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตเนี่ยเกิดดับไปตลอดการเลยโยมต้องได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ นั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติก็จะเริ่มเห็นจิตเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงเกิดดับยังไม่เห็นเห็นอนิจจังก่อนก็ได้เห็นอนิจจังเปลี่ยนก่อนเห็นจิตเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโยมเห็นจิตเปลี่ยนเรื่อยๆโยมจะเห็นอะไรจะเห็นดับผู้เจ้าบอกว่าอนิจเจทุกขสัญญาถ้าเห็นอนิจจังเรื่อยๆจะเห็นทุกขังคือการดับโยมเห็นการดับ การดับการดับการดับการดับเรื่อยๆจะเข้าใจอนัตตาเรียกว่าทุกเข อ, อนัตตสัญญาโยมเห็นการดับการดับเรื่อยๆจะเข้าใจอนัตตาจะเข้าใจว่าจิตนั้นไม่ใช่ตัวตนจริงเพราะฉะนั้นผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นก็เข้าไปหลงยึดจิตดวงใหม่ที่เกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนี้ คุ้นเคยอยู่กับการเกิดของจิตที่เป็นอกุศลหรือกุศลแหละถ้าคุ้นเคยกับจิตที่เป็นอกุศลก็ไปเกิดในอบายก่อนถ้าคุ้นเคยกับจิตที่เป็นกุศลก็ไปเกิดในสุคติก่อนความคุ้นเคยหรือความเคยชินการเสพคบกับอารมณ์นั้นๆแบบนั้นๆนานๆเรียกอนุสัยอนุสัยหรืออาสวะ นะความเคยชินนะหรือกิเลสนะหรือสิ่งที่เขาแปลเดิมว่านอนเนื่องนะแต่จริงๆมันไม่ได้นอนเนื่องอะไรมันเป็นความเคยชินเป็นความคุ้นเคยการเสกคบบ่อยพระาศาสดาจึงบอกว่าเมื่ออกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุสาหะความพยายาม อุโสระฮีความเพียรอย่างแรงกล้าอปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปัญ ญ, ญาเพื่อที่จะดับอกุศล น, นั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะจะต้องรีบดับให้ไหวที่สุดฉันใดก็ฉันนั้นแต่ถ้าโยมไม่รีบดับก็แสดงว่าโยมเสพคบกับมันมากกับมันนาน ก็จะเกิดเป็นอนุสัยความเคยชินซึ่งทำให้เมื่อกายแตกทำลายจิตโยมก็จะไปเกาะกับความเคยชินนั้นๆอารมณ์ที่ตัวเองเคยชินอัตภาพก็จะได้ไปตามนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครสั่งเราเนี่ยอยากได้เองนะเราสั่งตัวเราเองตัณหาของเราเป็นผู้นำพาไป วัชชะถามพระศาสดาว่าเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พระศาสดาบอกวัชชะตัณหาเป็นตัวนำพาไปสู่การได้กายใหม่พอดีก็ส่งเป็นภาพมาในมือถือเมื่อเมื่อกลางวันก็เลยไปนั่งถ่ายภาพร่วมกันกับพระ นะแล้วก็ตั้งหนังสือบาลีสยมรัฐนี้ไวนะ้ก็เป็นรุ่นตั้งแต่ปีสองสี่หแดแล้วก็เดี๋ยวจะมีรุ่นที่เก่ากว่านี้เพราะนี่เป็นการพิมพ์รุ่นที่สองครั้งต่อมานะ <c oughs> ก็เพื่อให้เราทราบว่าข้อมูลทางพุทธศาสนาที่ ถูกต้องและก็เก่าแก่ที่สุดนะเราต้องเข้าไปศึกษาตรงนั้นเยนะอะก็สามารถคีย์คำนี้เข้าไปได้อ e ีเตปิตกะนะหรือคำว่าพุทธวจนะอย่างเดียวก็ได้ก็สามารถได้แอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมา <c oughs> จะลองดิงขึ้นมาให้ดูเนา ะ, ะถ้าพอดิงได้ นี่เพิ่งถ่ายเมื่อกลางวันนี้เองเนี่ยชุดนี้ที่เราเอามาจากที่หมหาจุฬาหลังจากซ่อมแล้วเนี่ยอัตมาก็จะถ่ายเอกสารทุกแผ่นไว้เก็บไว้หมดแล้วถ่ายเก็บเข้าเป็นข้อมูลทำในในความเอาไว้ทั้งหมดและถ้า ต่อไปเป็นไปได้ก็จะขี่ข้อมูลพวกนี้เข้าไปในคอมให้หมดนะท <c oughs> ยอยทำไปเรื่อยๆเพื่อสืบต่อคำพระพุทธเจ้าเนี่ยออกไปสู่ยุคอนาคตต่อไป <c oughs> ก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะให้เรายืมมาได้นะ <c oughs> ทำเรื่องขอกันอยู่นานเหมือนกันที่มีใช่ไ้ยอ๋อ ที่มีเนี่ยเราอาตมาที่อยากได้เวอร์ชั่นเก่าสุดเก่าแก่สุดมาเนี่ยเพื่อต้องการเปรียบเทียบกับที่มีปัจจุบันว่ามันต่างกันเยอะไหมซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยตัวอักษรไม่ต่างแต่จะมีตัวตัวถ้าถ้าภาษาไทยรมราพวกสระเนี่ยต่างนะเช่นว่าในรัชกาลที่5้าเนี่ยยัง กำเนี่ยกมกมแล้วก็จุดใต้มอม้าอย่างเงี้ยนะสมัยนั้นจะใช้กไม่แน่นาอากาศแล้วก็หยักหยักอยาก่อยางนี้มีสองเครื่องหมายแล้วสมเด็จมาสมณเจ้ามาเปลี่ยนเองมาเปลี่ยนเครื่องหมายยุบเหลือจุดตัวเดียวเราได้รู้ว่าอ๋อมันมีพัฒนาการด้านภาษามาอย่างนี้มันมาแต่งกันยุคหลังอีกทีนเหมือนกันนะแต่ก่อนก็ทําเครื่องหมายแบบหนึ่งในการอา่านอยา่อยางเงี้ยไปเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าเราทาเปรียบเทียบได้จะก็จะเอามาให้เห็นว่ามันมีความต่างกันยังไงของของเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชันหลังๆอย่างเงี้ยแต่ตัวอักขระเนี่ยไม่ไม่ต่างกันนะอ่าเดี๋ยวให้ดูดูตั้งแต่ตัวแรกก็ได้รู้สึกตัวแรกนี้จะมีภาพไว้อยู่อ่าอันนี้ สมัยรุ่นราัชากาลที่ห้าถ้าลองขยายออกมาเราจะเห็นว่า อ, อย่างคำว่าสันสันติอย่างตรงนี้เห็นน ะ, ะปกติถ้าเป็นบาลีก็เป็นสอโนอจุดใช่ไหม อันนี้จะเป็นมีสองสองอันตัวนี้มีมนยากาศกับตัวหยกักๆยักตัวนี้ตรงนอนหนูนะสักกายะเห็นนะสักยานังนะสักยานังเนี่ยส อ, ก, อกติจะเป็นสอกอจุดนี่ก็เป็นสออกยากาศแล้วก็ขีดขีดอย่างนี้เหนือก็กายยุบเ้ายุบไอสอง สัญลักษณ์นี้ไปแล้วไปใส่จุดตัวเดียวนี่คือต่างกันหน่อยหนึ่งที่สังเกตเห็นตอนนี้อาจจะมีจุดอื่นที่ต่างกันอีกแต่เท่าที่ดูเนี่ยอักษรพวกเนี้ยไม่ต่างกันจะเหมือนกันทั้งหมดอาา่ฮะอาา่ฮะใช่นี่ก็คือตัวที่อา่า แปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามนี่คือครั้งแรกที่รัชกาลที่5เนี่ยขอประชุมพระหน0่รกว่าลูกที่วัดพระแก้วแล้วก็ช่วยกันแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามเนี่ยใช้เวลาอยู่5ปีตั้งตั้งแต่2 4 3สีึงถี่าตัวนี้นี่ทางโรงเรียนในร้อย เจาบุรีรก็ไปถ่ายเก็บเป็นไมโครฟิล์มเอาไว้ทั้งหมดน ะ, ะก็ตอนนี้พยายามอนุรักษ์ของเก่าตรงนี้กันตอนนี้ในส่วนนี้ก็เหมือนกันอย่างที่บอกว่ามันจะมีสองส่วน คือในบาลีสามลัดเองนะที่เก่าที่สุดนี้จะมีส่วนที่เป็นพุทธวจนะและส่วนที่เป็นอัตตะถาคือแต่งใหม่อีกเหมือนกันนะจะมีเนื้อแท้กับเนื้อปลอมที่เสริมเข้าไปด้วยเช่นกันสังเกตยังไงเวลาเนื้อแท้พุพทธวจนะเนี่ยพูดมาผู้เจ้าตรัสมาอย่างนี้อย่างี้ี้ปั๊บเนี่ย คนที่แต่งใหม่ก็จะบอกว่าที่ผู้เจ้าพูดตรงเนี้เขาขออธิบายว่าอย่างนี้นะคำว่าตรงนี้หมายถึงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คําว่าตรงนี้หมายถึงอย่างนี้อย่างนี้อธิบายเนื้อคําในแต่ละคําที่ผู้เจ้าตร์เนี่ยประดิเพิ่มมาเองตรงนี้นี่ก้อนเนี่ยคือก้อนที่แต่งใหม่ซึ่งสังเกตได้ง่ายๆไม่ ย, ยากและคาถาต่างๆที่โยมท่องกันหลายๆอย่างทุกวันเนี่ยมาในส่วนก้อนที่แต่งใหม่ เกนะนะ่าเหมือนกันแต่เป็นเก่าแบบใหม่เก่นะนะนะาในส่วนท่อนใหม่นะตัวเก่าจริงๆคือตัวตัวฟากนี้คือฟากพระสูตรที่เป็นพุทธวจนะแต่มันไม่ได้แยกสองก้อนใหญ่ๆนี้มันอย่างนี้พอพระุทธเจ้าพูดไป4ี่หบรรทัดเขาก็อธิบายไป10หน้า20ี่สนาเจอคําระพุทธเจ้าอีก3าสี่บรรทัดก็อธิบายไปอีกยี่สิบสานาพระุทธเจ้าพูดไปอีก3าสี่บรรทัด บางทีอธิบายไปหนึ่งร้อยหน้าก็มีมันจะเจอคำผู้เจ้าเจอคำแต่งใหม่เจอคำผู้เจ้าเจอคำแต่งใหม่สลับกันไปอยู่อย่างเนี้ยนะอ่ะทาทนี้ปัญหาตรงนี้ก็ถูกแก้ตั้งแต่สมัยท่านผู้ทาตก็คือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ท่านผูธธ้ทาทก็เลยพยายามดึงเฉพาะเอาคำพระศาสดา เข้ามารวบรวมกันเป็นเล่มเล่มเดียวเปิดทุกหน้าจะได้มีแต่คำพระศาสด า, ศ า, ศาจะได้ไม่ต้องมาคอยดูว่าเอ๊ะอันไหนปลอมอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนจริงมีคณะคณะหนึ่งลงทุนแยกแยะให้นะเอามาเฉพาะคำพระพุทธเจ้าท่านพุทธาใช้เวลาถึงย2ิบสองปีในการทำดึงคำศาสด า, า, า, า, ามาได้ห้าเล่มนะยี่บสองปีก็ตายพอดีนะ ช่วงนั้นก็ไม่มีคอมพิวเตอร์เลยทำยากหน่อยอัตมาก็มาดึงใช้คณะสงคณะญาติโยมช่วยกันทำเป็นหนังสือน้พุทธพจนนะนะซึ่งจะมีทั้งาภาษาบาลีภาษาไทยแต่เอาเป็นคำศาสดาล้วนหน้านี้บาลีหน้านี้ไทยคู่กันเลยโยมจะได้ไม่ต้องไปหาวิ่งหาพระตระกดกบาลีเอาจับมาคู่กัน หน้าต่อหน้าข้อต่อข้อชนกันโยมจะได้รู้ว่าสัมนวนการแปลเงี้ยบาลีใช้อะไรแปลเกินแปลขาดแปลตกยังไงโยมตรวจได้ทันทีอัตมาเลยบอกนะวันนี้เรามีข้อมูลเท่ากันทั่วประเทศจะเป็นพระเจ้าคุณจะเป็นพระเก่งอาจารย์เก่งแก่ปานไหนก็ตามข้อมูลเก่าที่สุดที่เกิดมาก่อนท่านและเกิดมาก่อนพวกเรามีอยู่ในมือพวกเราทุกคนแล้ว แต่ก่อนเวลาเราไปถกทำวินัยกับใครเอ๊ะเขาพูดเรื่องนี้เขาไปเอามาจากไหนเขาไปเอามาจากไหนแล้วเขาจะไม่พยายามบอกตําราที่เขาศึกษานะเขาจะกักข้อมูลกันไว้อย่างเนี้ยเราก็จะงงแล้วเราจะไปหาได้ที่ไหนมันพูดผิดมันพูดถูกอย่างเนี้ยนะอ่าพอเราสืบสาวตาราไปเอาลนะชัดแล้วเ ป, เปิดเผยเลยไม่ต้องไปกักนะอืมพอะเรียนรู้ทั้งชีวิตก็เก็บไม่หมดหรอกนะภูมิปัญญาผู้เจ้าเยอะมาก นะก็นี่คือข้อมูลเก่าสุดที่ไม่มีแล้วนะที่โยมคนนี้จะบอกไปเอาจากตำราโน้ตนตาราไม่มีนะอันนี้เก่าสุดและครบถ้วนหมดแล้วโยมถือข้อมูลนี้อันเดียวก็คือสุดยอด น, นะนะถ้าจะทีนี้เราดึงข้อมูลนี้มาที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยจะได้เล่มใหญ่ขนาดนี้33สาเล่มพร้อมภาษาบาลี คู่กันไปทั้งหมดนะนี่สามสิบสามเล่มนะพอดียังทำไม่เสร็จก็เสร็จมาประมาณเจ็ดแปดเล่มก็ทยอยทำไปเรื่อยๆนะความเร็วในการทำถ้าเท่าที่มีคนช่วยทำตอนนี้ก็ประมาณหกสี่ถึงหกเล่มต่อปีนะก็ คงจะครบ33เล่มได้ไหนไม่ช้าข้อมูลภาษาไทยเนี่ยน่าจะเสร็จเกือบหมดแล้วเหลือแต่เพียงว่าตอนนี้เทียบเคียงบาลีกับไทยให้ตรงกันตรงกันตรงกันแค่นั้นเองนะก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะมีหนังสือที่เป็นคำศัพท์สรเราล้วนๆซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในโลก แปลกไหมว่าการสังคายนาคือการทรงจำคำําศาสรรมเนี่ยทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าเราจะช่วยกันทรงจำคำําัาสดาแต่ผลของการสังคายนาทุกครั้งจะมีคำที่แต่งใหม่ปนเข้ามาด้วยตลอดเขี่ยไม่ออกไม่รู้เป็นอะไรนะเกิดไปเสียดายยังไงก็ไม่รู้นะนั้นระทุกวันนี้เขาจะเสียดายคาที่แต่งขึ้นใหม่เพราะเขาไม่ชัดเจนใน คำที่ศาสดาบอกไว้ว่าคําที่แต่งใหม่หรือคําของสาวกที่พูดขึ้นเองเนี่ยอย่าไปฟังถ้าสาวกใช้ปากพูดคำพระพุทธเจ้านั้นเป็นคําพระพุทธเจ้าไม่ใช่คําสาวกเพราะพระพุทธเจ้าพูดมาก่อนแล้วสาวกเนี่ยพูดตามนั่นคือคําพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าสาวกใช้ปากพูดคําที่ตัวเองคิดขึ้นเองนั่นเรียกว่าคำสาวกหรือคําแต่งใหม่ซึ่งพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปฟังมันก็เลย ทำให้โยมเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระละหันฟังไม่ได้นะก็เลยต้องมายกตัวอย่างว่าในครั้งพุทธการพระละหันที่เลิศที่สุดเก่งที่สุดคือใครพระสารีบุตรก็เลยต้องมายกตัวอย่างว่าพระสารีบุตรเนี่ยเก่งกว่าพระราทุกวันเนี้ในประเทศในโลกหมดเลยเก่งกว่าพระในครั้งพุทธการทั้งหมดเวลาพูดออกมาเคยพูดพลาดไหมแล้วผู้เจ้าตําหนิมีไหมมี นะเพราะนั้นจึงเป็นตัวอย่างว่าทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าฟังคำสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่โนะยมต้องเอาไปไข้คนเยอะๆมากๆเลยนะเพราะหลักการนี้ถ้าเฉปั๊บเนี่ยโยมยอมรับหลักการคาแต่งใหม่ปั๊บเนี่ยเสร็จเลยศาสนาจะเริ่มเสื่อมกระจายออกไปเป็นสายเป็นนิกายออกไปทันทีเลยเพราะทุกคนก็แต่งใหม่ได้หมดแล้วยุติที่ใครยุติที่การแต่งใหม่กี่คากี่หน้า แต่งสิบคำแต่งร0อยคำพอไหมหรือ200ร้อคำหรือ500ร้อคำแล้วถึงจะหยุดแล้วถึงจะพอแล้วถึงจะว่าใช้ได้มันจะหาเกณฑ์ไม่ได้เลยนะอย่างนี้ภาษาลิบุตรเคยเสนอผู้เจ้า ว, ว่าพระที่ไปเข้ากับพระเทวทัตเนี่ยให้ศึกให้หมดเลยแล้วบวชใหม่ผู้เจ้าบอกภาษาลิบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของพิกสุเหล่านั้นเลยให้ปรับอัมบัตถุลใจ ถ้าคำพูดที่หลุดจากปากพระสารีบุตรที่พูดเองคิดเองออกมาเป็นอาการิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการเวลาและไม่มีใครขัดแย้งได้เหมือนพระุทธเจ้าพระุทธเจ้าจะสามารถขัดแย้งคาพระสารีบุตรได้ไหมก็ต้องขัดแย้งไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าขัดแย้งคําพระสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรกล้าแย้งพระุทธเจ้าตอบไหมผมพลาหันนะผมเลิศทางปัญญานะทาไมจะฟังผมไม่ได้กล้าไหม ไม่กล้าโยงทำตามผู้เจ้าหมดถูกต้องถูกต้อ ง, องนะเวลาผู้เจ้าตรัสเนี่ยสุตตันตะเหลา่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกราบกลนมีสอนสลัดสรวยมีเป็นชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกฟังแล้วเหมือนดิสเครดิตสาวกตัวเองว่าจะฟังคำสาวกตัวเองนะ แต่มีสาวกกล้าประทวงผู้เจ้าไมไม่กล้านะแต่สาวกเพราะฉะนั้นเวลาสาวกเขาถ่ายทอดเขาจะถ่ายทอดยังไงอาตมาก็เคยงงอ่ะแล้วพูดเองไม่ได้แล้วมันจะถ่ายทอดกันยังไงอ๋อก็คัดลอกคำผู้เจ้าไงจะไปยากอะไรแล้วพยโยมไปอ่านในบาลีสามรัสสีเวลาพระเขาพูดกันเขาพูดคําตถาคตกันหมดเลยเราไม่เคยรู้ไงเพราะเราเกิดมาในยุคที่พระเนี่ยพูดเอง แถมยังสอนว่าต้องพูดเองคิดเองปรุงแต่งเองโยมเลยไม่เจอพระที่พูดคําพระพุทธเจ้านะถึงจะบรรลุแล้วก็พูดคำพระพุทธเจ้าดูพระอาัชาชิบรรลุแล้วพระสารีบุตรถามว่านะขอธรรมะสั้นๆหน่อยมีไหมพระอาาชัชชิอธิบายคําของตัวเองไหมไม่บอกพระตถาคตตรัสว่ายอย่างนี้เห็นไหมทุกคนจะพูดคําตถาคตหมดปอกอาจารย์ฉันว่ายอย่างนี้อาจารย์ฉันว่ายอย่างนี้ เหมือนโยมอ้างอาจารย์ตัวเองนะ่ะนะโอ้หลวงปู่ฉันบอกอย่างนี้นะอ๋อปู่ฉันบอกอย่างนี้ถวายข้าวพระพุทธอย่างนี้นั่นนาะยโยมอ้างคำปู่นะอ้างคาอาจารย์นะสาวกก่อนเขาก็อ้างคมอาจารย์ก็ เ, เหมือนกันคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะบอกสมณะโคโดมมีวาทภาพสอ่อย่างนี้เห็นไหมเหมือนการเยอะนะให้ทุกคนไปมีอาจารย์องค์เดียวกันคือพระเจ้ามันจบเลยนะ นั่นคำอาจารย์ตัวเองพอนะคือพระพุทธเจ้านะเนี่ยไข้ควรดีๆตรงนี้นะเรารวมเหตุผลไว้ให้แล้วในแผ่นพับตรงนี้นะสำหรับผู้ใหม่ที่ยังไม่เคยไข้ ค, ควรในเรื่องนี้นะต้องกลับไปไข้ควรดีๆนี่เป็นสิทธิ์กว่าพระสูตรทั้งหมดที่รวบรวมไว้ให้ เวลาพระสูตรเราเนียอยู่เดียวๆเนี่ยโยมจะไม่เห็นความสำคัญแต่พอเอามาเรียงร้อยกันแล้วเนี่ยความสำคัญเกิดขึ้นทันทีเลยตั้งแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดได้ไม่พลาดคนเดียวเลยไม่มีใครทาได้คำพูดไม่มีการขัดแย้งคำเป็นอากาลิโกมีสาวกที่เป็นพระหลานแม้ท่านใดกล้าบรลือเสียนาว่าคาพูดฉันเป็นอากาลิโกมีไหม ไม่มีเยอะไม่มีใครเก่งขนาดนั้นนะโยมคือเราไม่เคยรู้ว่าวัจีสังขารการปรุงแต่งวาจาเนี่ยมันยากสุดๆในด้านธรรมะนะและคนที่จะบัญญัติได้คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่คือข้อมูลที่เราชาวพุทธไม่ค่อยเคยรู้เลยเราเลยไปคิดว่าคาสาวกนี่เก่งเท่าคำพระพุทธเจ้าเลยอย่างนี้แล้วคิดว่าคาสาวกนี่พูดเองได้ไม่ได้ ถ้าได้ผู้เจ้าก็ผิดพระสูตรจะผิดขัดกันเป็นกระบวนเลยนะและถ้าโยมไปศึกษาคำสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่ผู้เจ้าให้ชื่อโยมด้วยว่าเป็นพวกอุกาจิตวินีตาปริษาโนปฏิกุจฉาวินีตาคือพวกที่ใช้คำสาวกไม่ใช้คำพระศาสดานะซึ่งในสำนวนบ า, บาลีสยามรัฐนจะแปลด้วยสำนวนรุนแรงหน่อย รุนแรงกว่าท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสบอกว่าเธอจะเป็นบริษัทที่ไม่เลิศแต่บาลีสามนั้นบอกเธอเป็นบริษัทที่ดื้อด้านนะสํานวนแรงนะเห็นไหมอืมนี่ท่านพุทธทาสจะว่านะอืมเธอจะเป็นบริษัทที่ไม่เลิศนี่คือพวกอุกาจิตมิณีตาปริสาโนปฏิกุตฉาวินีตาโนนะอ่ะคือไม่ไม่สนใจคําตถาคต สุดตันต์ที่เป็นคำตถาคตนะเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเมื่อมีผู้นำมากล่าวเป็นยังไงก็ไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนคุณศึกษาเล่าเรียนแต่สุดตาตที่นักกวีแต่งใหม่หรือคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันต์มากล่าวเธอไปฟังด้วยดีไปเงี่ยหูฟังไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และสําคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพระสูตรทั้งนั้นเลยลักษณะเดียวกันทั้งสิบพระสูตรนะตัดไว้สอดรับกันทั้งหมดถ้าเราถูกผู้เจ้าก็ผิดเป็นกระบวนท่าเลยนะนี่เป็นอย่างนีนะ้พระสูตรเหล่านี้กระจายตัวกันอยู่นะไม่เคยมีใครรวบรวมมาเรียงร้อยให้เห็นชัดชัดและตอบย้ําว่าคําศาสดาเลิศสุด คำคนอื่นไม่ใช่นะเนี่ยตรงเนี้ยเพราะนั้นถ้าพระสอนเหมือนกันทั้งหมดคือสอนคำศาสดาโยมจะไปร้อยวัดก็เหมือนกันนะจะไม่มีบูชาชูชกจะไม่มีไปนอนในโรงจะไม่มีผ้าขาวคุมน้ำลดตัวนะเสกเปล่าก็ไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าห้ามหมดสิกขาบทสองก็ไม่มีเพราะว่าแต่งขึ้นใหม่ก็จะมีสิกขาบท 2 0 0พันกว่าข้อที่ต้องรักษาทั้งหมดแต่นำมาสวดแค่ร้อยห้าสิบข้อแค่นั้นเอ ง, อยงเยอะกว่าเดิมเยอะนะอื <laughs> การกำหนดรู้ลมหายใจรับรู้กับสิ่งในปัจจุบันทำนะขณะนี้ให้ดีที่สุดอย่างที่พระคุณเจ้าได้สอน อย่าไปกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วถ้าในกรณีที่พวกกระผมยังต้องทำงานทำธุรกิจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราจําเป็นต้องกังวลและคิดล่วงหน้าความจริงเหล่านี้เราจะสามารถนำมาประยุกใช้ในชีวิตได้อย่างไรเจ้าค่ะไม่ต้องประยุกเลยตรงๆสติอธิษฐานการงานครูเจ้าก็สอนสติอธิษฐานการงานไว้เรียกอนุสติฐานที่6ที่จัดไว้กับพระนนใช้งานของเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของสติ การระลึกได้เนี่ยไปดูพระสูตรนี้ถามป้าอนอนท์อนุสติมีกี่อย่างบอกห้าอย่างบอกจำไว้อย่างนะดีละอ น, อนุนถ้าอย่างนั้นเธอจงทรงจำฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติที่หกนี้ไว้คือภิกษุในกรณีนี้มีสติก้าวไปถอยกลับยืนอยู่นั่งอยู่สำเร็จการนอนอยู่มีสติอธิษฐานการงาน อนนนี้เป็นฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะแค่โยมตั้งใจทํางานจบแล้วง่ายนิดเดียวนี่เป็นเพราะเราไม่ได้สั่งสมสุตมากเราก็เลยไม่เข้าใจหาทางออกไม่ได้เพราะเหตุนั้นใครสั่งสมสุตมากพระศาสดา จ, จึงบอกชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมอาวุธไว้มากโยมจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา ประหัดประหารกิเลสซึ่งเป็นค่าศึกสังสมสุตตะให้มากโยมจะเห็นแง่มุมโยมจเจริญสัมมาสังกปะก็ได้โยมทํางานมักมีองค์แปดข้อที่สองทำไมทํางานต้องคิดพยาบาทเบียดเบียนด้วยอะ่ะไม่คิดได้ไหมทํางานไปคิดพยาบาทเบียดเบียนไม่ยอมทิ้งความคิดอกุศลมันก็เกิดการทะเลาะบบาแวงเกิด ความบาดหมางกันนั้นมนุษย์ทะเลาะ ก, กันเพราะอะไรจอมเทพมาถามพระพุทธเจ้าทําไมยักษ์นาคนธานาสุนเทวดามนุษย์มันทะเลาะ ก, กันหมดเลยเป็นเพราะอิจฉาและตะนีความอิจฉากันความตนีและความอิจฉาตนีเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักคนคนนั้นไม่ยอมปล่อยวางอารมณ์พอใจและไม่พอใจนั่นเอง จึงเกิดการทะเลาะเบาแววงกันนี่คือเหตุปัจจัยของมันนั้นพูเจ้าจึงให้ละวางอารมณ์พยายามอยู่กับอุเบกขาให้มากอะ่ะจะได้ไม่เกิดการทะเลาะบ่าแว้งกันอย่างนี้อั <c oughs> นั้นถ้าโยมทำงานก็ใช้สติอธิษฐานการงานตั้งใจทำงานขณะที่โยมทำงานโยมก็ไม่ได้คิดเรื่องงานตลอดเหมือนกัน เด็ก็ไปคิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้ขณะที่จิตโยมอยู่กับงานแล้วโยมเปลี่ยนไปนอกงานเนี่ยโยมละความเพลินรักกลับมาอยู่กับงานจิตเคลื่อนออกไปเอ๊สาวอาทิตย์นี้จะไปเที่ยวไหนไปดื่มกาแฟกับเพื่อนดีไหมตาไปกระทบลูกกําลังตั้งวงกาแฟกันพอดีก็ไม่เอางานยังไม่เสร็จดึงกลับมาทํางานต่ออย่างนี้เนี่ยสติอธิษฐานการงานตั้งใจทํางานงานทั้งโลกก็ดีงานทางธรรมก็ได้ได้การละความเพลินอยู่ตลอดสัมมาสังปัปปะ กำลังคิดเรื่องงานเกิดนึกขึ้นมาแหมเมื่อเช้าไอ้เพื่อนเรามันว่าเราเดือดเทีย่ยงนี้จะไปด่ามันสะหน่อยนะทิ้งความคิดนี้ไปการไปบาดเบียดเบียนทิ้งทิ้งทิ้งถิ ง, งการทะเลาะก็ไม่เกิดขึ้นงานโยมก็ดีเห็นนะเพราะโยมฉลาดในการใช้มรรควิธีที่ศาสนาบัญญัติเอาไว้ผู้เจ้าเนี่ยสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องรู้หมดนะ่ะโยมมีการงานทําจะทํำยังไงมีปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้ต้อง รู้หมดนะสัพพัญญูโยมต้องรู้จากคาว่าสัพพัญญูคือรู้ทุกเรื่องในโลกมนุษย์ทั้งโลกคิดหกสสองแบบพระเจ้ายังรู้เลยมนุษย์คิดอะไรบ้างคิดได้ไม่เกินนี้62แบบเทวดาคิดยังไงพรมคิดยังไงมนุษย์คิดยังไงเดาชะฉานคิดยังไงรู้หมดนะนี่คือความสามารถที่เราไม่เคยทราบว่าศาสดาเราเก่งขนาดนีนะ้แล้วความสามารถระดับนี้มีในพระหลานหมไม่มี นะให้ทราบเลยว่าไม่มีนะว่าหลานไม่สามารถบัญญัติอะไรพวกนี้ได้นะพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่แหละที่ทำไมเราต้องมาศึกษาพุทธวจนะนะจะได้เดินตรงตามศาส์ดาบัญญัตนะิแล้วก็ไม่มีใครที่จะเถียงโยมได้เลยบอกพูุทธเจ้าพูดทุกอย่างต้องจบนะในครัง้งพุทธการนี่ถ้าพระพุทธเจ้าตัดสินปุ๊บทุกอย่างยุติ พระองค์หนึ่งสร้างกุฏิ <c oughs> เสร็จแล้วก็สร้างกุฏิหญ้า ก, กุฏิไม้ขโมยก็มาขโมยไปตลอดเลยโมโหปั้นดินสร้างกุฏิดินซะเลยแล้วก็เผาเป็นกุฏิดินสีแดงสวยเลยพระเจ้าเดินกับสาวกมาเจอเอ๊ะกุฏิใครเนี่ยบอกกุฏิของพระองค์นี้พอดีไม่อยู่ออกไปข้างนอกพู้เจ้าก็สั่งพิสุจนทุบซะแล้วท่านก็ไป พิสูจองค์นั้นมาเห็นพระกำลังทุบตีตัวเองเอ้ามาทุบทำไมเนี่ยบอกผู้เจ้าสั่งให้ทุบงั้นเชิญทุบทุบต่อไปให้เสร็จไม่กล้าขัดยอมหมดนายโยมนะเนี่ยพาณิทวาชไปแสดงฤทธิ์ในเมืองนะกลับมาที่เชตวันคนก็โอ้โหแห่แหน ห, ห้อมล้อมมาเสียงดังเกลียวกล่าวผู้เจ้านั่งเงียบๆอยู่ที่เชตวันกับผ้า n o บอกอานอนท์เสียงอะไรกันดังอื้อๆเหมือนชาวบอนมงแย่งป่ากันบอกว่าข่าวว่าพารัทวาชะปลดบาดค่าเศรษฐีลงจากยอดไม้ไปแสดงฤทธิ์ในเมืองนะหาะขึ้นไปเอาบาดมาแล้วเวียนหาะเวียนไปในกรุงราชคือสามรอบชาวบ้านก็เลยแตกตื่นนะลองดูที่พระเจ้าตาหนิภารัทวาชะตรงนี้โยมจะเห็นว่าพระละหงอหรหัน์โดนตําหนิหมดนะไม่เหลือนะตั้งแต่พระสารีบุตรนะคิด พลาถูกตำหนิพูดพลาดโดนเบรกนะภารัทธวาชาปเป็นพระหลันเก่งฤทธ์โดนเบรกนะแล้วบัญญัติปรับอวบัิทั้งหมดถ้าพิสุจะทำโดนหมดโยนะเหมือนพระน้อยเลยนะเพราะทุกคนเนี่ยต่ำกว่าพู้เจ้าหมดเนี่ยพระเจ้าเป็นอาจารย์นะ ผู้เจ้าสั่งพระนลสั่งประชุมสงเดี๋ยวนี้แล้วไปเรียกพารัตวชะมาแล้วก็สอบสวนพระรัตวชัชพารัตวชั <c oughs> วชข่าวว่าเธอปลดบาตของราชกาศเศรษฐีลงจริงหรือนะพารัตวาชัชทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าพระพารัตวชัทรงตีเตียนการกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําช่ไหน ชไหนเธอจึงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยอดยิ่งของมนุษย์แก่พวกค้าเลือหัดเพราะเหตุแห่งบาดไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพเล่ามาตุคามแสดงของลับเพราะเหตุแห่งทรัพย์ซึ่งเป็นดุจซากศพแม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยอดยิ่งของมนุษย์แก่พวกค้าเลือหัดเพราะเหตุแห่งบาดไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพการกระทําของเธอนั้น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเราไม่เคยคิดว่าพระหลานจะถูกผู้เจ้าว่ารุนแรงขนาดนี้นะคั้นแล้วทรงกระทำธรรมมีคาถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์แก่ผูกข้าราชกรูปใดแสดงต้องอาบัตทุกกฎดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงทําลายบาตรไม้นั้นบทให้ละเอียด ใช้เป็นยาหยอดตาของภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุไม่พึงใช้บาทไม้รูปใดใช้ต้องอบัติทุกขกดพระทุกวันนี้ไม่สามารถใช้บาดไม้ได้เพราะผู้เจ้าบัญญัติตรงนี้เอาไว้ใครใช้บาดไม้ปรับอาบัติใครแสดงปฏิหารตับอาบัตนะเห็นไหมย่องจะเห็นว่าพระจะเป็นพระละหันพระปุถุชนทัววเหมือนกันนะลูกศิษย์ท่านหมดนะ ทำผิดถูกตาหนิตาหนิบัญญัตินะบัญญัติบัญญัติบัญญัติบัญญัติเพราะสัพพัญญูผู้เดียวคือพระพุทธเจ้าให้รู้ว่าพรพุทธเจ้าเก่งมากนะพระอะหันก็ยอมหมดนะนี่เรากำลังชื่นชมแล้วก็รู้ซึ่งความสามารถของศาสดาเราว่าสูงขนาดไหนซึ่งเราไม่เคยสรางมาก่อนน ะ, อะเราจะได้เข้าใจ ทำว่าอุโบสถศีลต้องมีแปดด้วยหรือไม่เพราะในหนังสือปฐมธรรมไม่มีเจ้าค่ะพระอาจารย์อธิบายด้วยเจ้าค่ะอ๋อมีจะมีอุโบสถมีแปดประการนะในปฐมธรรมเป็นย่อเอามานะไม่ได้ไม่ไดเอามาครบทั้งพระสูตร อุบาสกอุบาสิกาควรสวดมนต์บทใดบ้างและจะหาบทสวดที่ถูกต้องได้จากที่ใดเจ้าคะไม่รู้ที่ไหนมีหรือเปล่าแต่ที่นี่มีห น, นังสือสัทยายธรรมบาลีใช้คำว่าสัจชายะโยมอาจจะเคยได้ยินคำว่าสังวัทยายพระตาบิดก ธรตมาก็าไปดูถ้าเราสแกนดูคำ ว, ว่าสังวัฒยายไม่มีเป็นสันสกฤตบาลีใช้คำว่าสัจชายะแปลว่าสาธยายธรรมหรือทีอ่ของเราเรียกสวดมนต์กันเนี่ยก็คือสาธยายธรรมสัจชายะพระพุทธเจ้าสาธยายอะไรพระพุทธเจ้าสาธยายกดอิทัพปัจจยตา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 สวดเหตุปัจจัยการเกิดขึ้นแห่งชราโมรณะและสวดเหตุปัจจัยการดับไปของชราโมระว่าแก่เจ็บตาย่จะดับไปได้อย่างไรคือสายดับเมื่อนี้ดับอันนี้จะดับนี้ดับนี่จะดับนี่ดับนี่จะดับไล่ดับมาเรื่อยๆจนกรทั้งความตายดับถ้าโยมอยากสวดตามพระศาสดาสวดแค่นี้จบแล้วง่ายๆ แต่ถ้าอยากสวดเพิ่มเติมเราก็มาดูว่าถ้าเราจะให้คนคนหนึ่งสวดเนี่ยควรจะสวดอะไรเพราะคำพระศาสดามีต้องสามสิบสามเล่มขนาดนี้นะยมจะสวดสามสิบสามเล่มไหมล่ะจริงๆคำสัสดาเนี่ยต้องทรงจําทั้งหมดดีหมดแต่ถ้าจะขอจําแค่นิดๆหน่อยๆจะจําแค่ไหนเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่า เพราพระพุทธเจ้าสวดเองสวดอะไรก็เอาบทนั้นมาในหน้ายีบสองก็จะเป็นปฏิจจสุวัดกดอิทัปปิจตาส่วนในหน้าอื่นก็จะเป็นบทสวดที่พระุท <c> ธ <oughs> เจ้าบอกว่าสิ่งที่ต้องรู้เป็นอันดับแรกของชีวิตเรื่องอริยสัจสี่เรื่องมรรคแมรรควิธีที่พระพุทธเจ้าสันเสริญได้มากอาณาปานสติมรรควิธีที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพาน การพินาภัสสะการละนันทิกายคตาสติอนาปาพวกนี้ต้องเอามาก่อนเพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดบ่อยสอนบ่อยตอกย้ำบ่อยๆนั่นคือให้โยมทราบพระสูตรที่พระเจ้าเนี่ยบอกอ น, นิสงส์งไว้มากสรรเสริญไว้มากเพื่อเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการหลุดพ้นนี่คือประโยชน์การสาธยายธรรม ประโยชน์ของการสาธยายธรรมก็ไม่ต้องไปคิดใหม่มีตรัดไว้แล้วเจ็ดพระสูตรนะพิมไว้ให้ในนี้พุทธเจา้าบอกว่าเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมเป็นทําให้เครื่องให้ถึงบิมุิเป็นอาหารของความเป็นพหูสูตรเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศทำให้ไม่เป็นมลทินเป็นบริการของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเป็นเหตุให้รักความง่วงได้นะ ข้อมูลจากมาเลเซียลัคือตัวล่างตรงนี้ตัวเล็กๆตรงนี้นะยมก็สืบค้นได้เพราะนั้นทุกบทพิสชนะจะบอกที่มาที่ไปทั้งหมดและโยงไปหลักฐานเดียวคือหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกโเห็นไหมนี่นะมีสองท่านถามมาในคำถามเดียวกันนะเจ้าค่ะว่า พระอาจารย์เคยตอบคำถามว่ า, ามีคนถามว่าทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพระอาจารย์ตอบไว้สี่ข้อสี่ข้อข้อแรกคือถือสินห้าที่เหลือคืออะไรอีกเจ้าคะให้ครบสี่ข้อเจ้าคะอ๋อพระศาสดาบอกว่าให้เธอเป็นผู้บริบูรณ์ในสินไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาให้สุญญาคละวัฏงอกงาม บริบูรณ์ใ น, นาาศีลคารวะก็ศีลห้านะเพราะศีลห้าเป็นคุณธรรมของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นเหตุให้ได้ความเป็นพระโสดาบันได้แล้วไม่เหินห่างจากฌานทำยังไงการรู้ลมหายใจแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวพระองค์บอกว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานนั้นยมหมั่นรู้ลมหายใจบ่อยๆชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานทำตามคําสอนพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตาบดของชาวแว่นแคว้นเสียเปล่า จะโปรยก่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานาสินั่นเล่านั้นการรู้ลมหายใจแค่ชั่วลัดนิ้วมือชื่อว่าไม่เห็นหนังจากชานแล้วก็พร้อมด้วยวิปัสสนาก็คือเห็นการเกิดการดับให้สุญญาคละวัดงอกงามก็อย่างเนี้ยมาสู่คนไม้เรือนว่างวิเวกหลีกเล้นนะตามการอันควร สี่ข้อนี้เธอจะได้ทุกอย่างตามปรารถนาคิดอะไรหวังอะไรจะได้สิ่งนั้น <c oughs> นี่คือเหตุปัจจัยที่ถูกต้องแง่มุมอื่นก็มีเช่นมีทานการให้จากะมีธรรมะความข่มใจมีสัญญมะความสำรวมระวังเธอมีทำสามประการนี้เกิดในภพภูมิใดจะไม่ตกตำ่ำถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ถ้าไปเกิดเป็นเทวราจะได้เป็น จอมแห่งเทวดาไปเกิดเป็นพรมก็จะได้เป็นหมหาพรมมีสามอย่างทานธรรมะข่มใจสัญญาสำรวมระวังสำรวมอินทรีย์นั่นเองก็จะมีหลายนัยยะลองค่อยค่อศึกษาไปเรื่อยๆก็จะได้เข้าใจตรงนี้เราสามารถที่จะฝึกปล่อยวางในสังขารที่เสื่อมและมีโรคร้ายรุมเร้าได้อย่างไรเจ้าค่ะ อยู่กํลมงหายใจแก้ได้ทุกเรื่องโยมมักวิธีที่เอามาบอกเนี่ยเป็นเหมือนยาครอบจักรวาลแก้ได้ทุกเรื่องพูะุทธเจ้าบอกอาณาปา น, า ส, นาสติแก้อกุศลได้ทุกชนิดและเป็นเหตุให้ได้นิพพานเลยละนันทีก็แก้ได้ทุกเรื่อง <c oughs> อย่างอสุพาะเนี่ยโยมแก้ไม่ได้ทุกเรื่องอสุพะจะจบแค่อนาคามีเพราะ อ, อาตมมัคพระจะ ต, ต้อง ปรับวิธีละใช้อย่างเดิมไม่ได้อาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็ใช้ได้สุดแค่อนาคามีจะขยับร่าสังโย ต, ต่อไปต้องเปลี่ยนวิธีแล้วนั้นมักวิธีที่มาบอกสอนกายกตาสติอนาปานาสติการละนันทิพวกนี้จะเป็นมักวิธีที่ครอบคุมกิเลสทุกชนิด ป่วยใกล้จะตาย <c oughs> จะมีมรรควิธี5ประการถ้ามรรควิธี5ประการนี้ไม่ห่างไปจากคนเจ็บป่วยไข้หรือทุกพลภาพลายใดผลที่เขาหวังได้คือพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีอันดับแรกก็คือพินาความไม่งามของกายความเป็นปฏิกูลของอาหารความไม่ยินดีในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขาร มรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในนี่คือ5ข้อคนป่วยคนเจ็บคนพิการต้องพิจารณาธรรม5ห้าประการนี้หรือมีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายถ้าใกล้จะตายมีสติสัมปชัญญะอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะ้เจ้าสอนกับลิสูเจ็บป่วยไข้ใกล้จะเสียชีวิต จำแค่พระสูตรสั้นๆเหล่านี้ไว้ไม่ยากเกินไปแล้วอย่าไปกังวลเรื่องอื่นเอ๊ะมันยังไม่รู้ไอ้น่นนี่ไม่ต้องจับเอาวิธีหนึ่งวิธีใดก็ได้เข้าไปพวกวิธีเดียว <c oughs> ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเมื่อรอคอยการทาการละคือตายนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรก็อธิบายสติปัฏฐานสี่ สติปัฏฐานสี่ถูกอธิบายด้วยอะไรด้วยอนาปานสติรู้ลมเข้าลมออกเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ครบนั้นโยมกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกจบแล้วทุกอย่างครบทวนนะอันนี้คือวิเคราะห์มาให้เสร็จย่อยมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอีกประสูตรหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระผัดคุณะนะพระผัดคุณะเนี่ยเจ็บปวด แสนสาหัสมากก่อนจะสิ้นชีวิตพระพุทธเจ้าไปเทศให้ฟังบอกพันกุณธทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะเจ็บท้องมากเลยปวดศีษามากเหมือนใครเอามิดโกนมาปาดศาีษนะปาดในลำไส้ <c oughs> บอกไม่เป็นไรตั้งใจฟังทมแสดงทำเสร็จแล้วก็หลีกไป พระอนุลบอกว่าหลังพระตถาคตหลีกไปได้ไม่นานพระผัดคุณะก็ทํากาละลงตายลงแต่ชวีวันผ่องใส ย, ยิ่งนักพระศาสด า, าบอกอานนุ์ไม่ผ่องใสได้อย่างไรเพราะก่อนเขาฟังธรรมเนี่ยเขายังละสังโยชน่าไม่ได้แต่หลังจากฟังธรรมะแล้วเนี่ยเขาละสังโยชน่าได้แล้วจึงตัดบอกอ น, นิสงส์น่ะห <c oughs> ประการของการที่ ได้ยินได้ฟังคำาศาสดาก่อนสิ้นชีวิตนั้นเจ็บป่วยใช่ไหมใกล้จะสิ้นชีวิตใช่ไหมเปิดคำาศาสดาให้เขาฟังนะเปิดซีดีที่เป็นพุทธปรนะให้เขาฟังเรื่อยๆเท่ากับโยมกำลังได้อนิสงส์ตรงนี้ที่เคยตรัดไว้กับพระนนในกรณีของพระผัดคุณานะในอ น, นิสงส์หกประการนี้นะจะแบ่งเป็นสองกลุ่มสามสาม ในสองกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งก็คือถ้าใครละสังโยชน์ท่าไม่ได้จะละได้หลังจากฟังคำาศาสดาก่อนสิ้นชีวิตใครละสังโยชน์ทาได้แล้วจะได้เป็นพระหลานในสองกลุ่มนี้จะมีสามลักษณะที่เหมือนกันคือหนึ่งได้ฟังจากพระาศาสดาโดยตรงสองได้ฟังจากสาวกที่นำคำพระาศาสดามาถ่ายทอดไม่ใช่พูดคำสาวกนะไม่ใช่พูดคาที่แต่งขึ้นใหม่นะ ฟังดีๆว่าสาวกเอาคําศาสดามาถ่ายทอดอย่างที่3ตัวเขาเนี่ยละลึกถึงบทแห่งคําของพระศาสดาได้เองและเห็นไหมว่าอ น, นิสงฆ์แม้จะฟังจากผู้เจ้าโดยตรงหรือเอาคําศาสดามาถ่ายทอดโดยสาวกได้อ น, นิสงฆ์เท่กากันคือสัโยโยธาได้และอีกกลุ่มหนึ่งก็เหมือนกันถ้ารัศยโยธาได้แล้วจะได้เป็นพระล้านนี้คือความเป็นปฏิหารของคําสอน บทเป็นชนะที่ประกอบด้วยปฏิหารคือคำพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารปร้าทิหารคือคำเทศสอนนะเป็นอย่างนี้พระองค์เคยใช้หลายครั้งเช่นบอกอา น, นุ์จำคาพูดนี้ไปนะแล้วเอาําพูดเนี้ยไปบอกให้พระคิลิมณน์นฟังพระคิลิมณน์ฟังแล้วอาพาธจะระงับไปตามควนแก่ฐานะนะความป่วยจะระงับไป ี่เรื่องของอนุสาสนีปฏิหารย่าตรึกท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นจงทำไว้ในใจอย่างนี้อย่าทำไว้ในใจอย่างนั้นเช่นทำไว้ในใจอย่างนี้ซึ่งทำไว้ในใจซึ่งอนาปานสติอย่าทำไว้ในใจอย่างนั้นคืออย่าไปคิดอกุศลนจงละสิ่งสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งสิ่งนี้แล้วแลอยู่เช่นละนิวรณ์ห้าเสียแล้วกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติอย่างนี้ เนี่ยเรียกอนุสาสนีปฏิหารนะ <c oughs> ซึ่งพระองค์จะสรรเสริญตรงนี้ส่วนปฏิหารทั้งอิทธิปฏิหารและอาเทศนาปฏิหารพระองค์จะบอกว่าอึดอัดขยะขยแยงเกลียดชังนะทั้งอิทธิปฏิหารและอาเทศนาปัิหารเกวตตะเราเห็นโทษในการแสดงอาเทศนาปฏิหารดังนี้แหลจึงอึดอัดขยะขยงเกลียดชังต่ออาเทศนาปฏิหาร เเอระด น, นท่านนี้ถามมาคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้เจ้าค่ะถามว่าในการปฏิบัติอานาปานสติเราจะขจัดความห่วงความกังวลเกี่ยวกับคนอันเป็นที่รักเช่นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุได้อย่างไรทาไปเรื่อยๆมันจะจืดไปเองความกังวลเรื่องพวกนั้นจะค่อยๆจืดไปจืดไปทีละเล็กทีละน้อยที่เราบางทีก็ไม่รู้ตัวจะเปรียบเหมือน เครื่องมือของช่างไม้นะเพราะศาสดาบอกด้ามเครื่องมือของช่างไม้เนี่ยจับไปทุกวันทุกวันทุกวั น, วนมันก็สึกไปทุกวันแต่ช่างไม้ก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้สึกไปเท่านี้อนุวันนี้สึกไปเท่านี้นิดเท่านี้หน่อยรู้ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นผ่านไปหปีสิบปีมันโอ้สึกไปเยอะแล้วเนี่ยใช่ไหมยมทาไปเรื่อยรื่อยมเช็คไม่ได้หรอกแต่ละวันกิเลสมันสึกไปกี่อนุนะอืม มันตรวจไม่ได้นั้นโยมก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะเจริญ น, น, นาปาแล้วยังห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงลหลานเหมือนกิเลสมันยังไม่หมดเลยไม่เป็นลายทาไปใจเย็นๆทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆหยิบสุดยอดเครื่องมือมาแล้วแล้วก็ทําไปอย่าไปกังวลพระเจ้าประมาอีกแม่ไก่มันฟักไข่เนี่ยอย่าไปกังวลเฮ้ลูกไก่ลูกเจี๊ยบเรามันจะออกจากไข่มาเมื่อไหร่น้อเนี่ยนะอืม แม่ไก่ไม่มีลิทธานุภาพที่จะโดนบันดาลว่าลูกเราจงออกจากไขวันนั้นวันนี้นะแต่แม่ไก่ทำได้คืออะไรผู้เจ้าบอกแม่ไก่ต้องกกไข่ให้ดีพลิกไข่ให้ทั่วนั่นคือหน้าที่ของแม่ไก่และหน้าวันหนึ่งในเวลาที่เหมาะสมลูกไก่ก็จะใช้จะงอยเล็บและจะงอยปากจิกกระปาะฟองไข่ออกมาได้เองตามเหตุปัจจัยของมันโยมทาถึงเวลาปุ๊บว่าทุกอย่างก็สบายมากจีดหมดแล้ว กังวลโน่นกังวล น, นี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วมันค่อยๆจืดไปหมดไปหมดไปเองทีเล็กทีน้อยนี่เรียกว่าอาวิชาจางคลายไปมันไม่ได้ปุ๊บปับ๊บหายไปเพราะเราไม่ได้มีอินทรีย์บา ร, รมีมากเท่ากับพระพาหยะบ้างสันตติอมรรตบ้างคนนั้นคนนี้บ้างซึ่งเขาสร้างบา ร, รมีมามากก่อนก็เหมือนกับเราถ้าเราสร้างบา ร, รมีอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเราก็ได้เป็นโสดาบันประเภทเจชาติ ผ่านไปชาติที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนมาเจอเราในชาติที่หกที่เราเพาะบ่มมาแล้วต้องห้าชาติอย่างเงี้ยนะเขาก็งงเอ๊ะทำไมเรามันไปเร็วจังใช่ไก็เราเพียรมาแล้วกี่ชาตินะใช่ไเขาไม่ได้มามองเห็นอดีตของเราหี่ใช่ัหมนั้นเหมือนกันไม่ต้องไปแข่งอะไรตรงนี้กันแล้วก็ส่วนตัวเองก็ วัดสอบจากการปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วไหมซึ่งไม่ต้องไปวัดกันทุกวันนะไม่ต้องมานั่งสอบอารมณ์กันทุกวั น, น, นทำไปห้าวันเจ็ดวันมาสอบกันอีกแล้วโอ้มันจะสะกิดผิวกิเลสไปเท่าไหร่น้อทำมันเนี่ยนะขนาดห้าปีสิบปียังเฉยๆเลยใช่ไหมอืมนันก็เลยเหมือนกับว่าเราไม่ก้าวหน้าจริงๆมันก้าวหน้าตลอดพระเจ้าบอกความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทาและมักมีองค์แปด ให้ผลได้ร้อยเปซไม่มีการไม่ให้ผลโดยเปรียบเทียบเหมือนกับยาถ่ายยาถ่ายเนี่ยในในทางโลกเนี่ยเรียกวิเรจนันทรนะบางคราวก็ให้ผลบางคราวก็ไม่ให้ผลแต่ยาถ่ายอันเป็นอริยะคือมักมีองค์แให้ผลตลอดไม่มีการไม่ให้ผลภิกษุทั้งหลายแพทย์ทั้งหลายย่อมให้ยาถ่ายเพื่อกำจัดโรคมีดีเป็นสมุทฐานมีเสมหะมีลมนะ เรากล่าวว่ายาถ่ายชนิดนั้นมีอยู่มิใช่ไม่มีแต่ว่ายาถ่ายชนิดนั้นบางทีก็มีผลบางทีก็ไม่มีผลภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงยาถ่ายอันเป็นอริยะวิเรจรังนะอันเป็นยาถ่ายมีผลโดยส่วนเดียวไม่มีที่จะไม่ให้ผลอันเป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่ ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายนะอย่าถ่ายอันเป็นอริยะให้ผลโดยส่วนเดียวไม่มีผลเสียเลยอันสัตว์อาศัยแล้วจะพ้นจากชาติชราโมนะเป็นอย่างไรก็ไล่ตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะไล่ไปเลยถึงส ม, มาส ม, มาธิมักมีองคนะ์แปดเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ามักแปดให้ผลแน่นอนอย่าไปกังวลนะนะ ท่านมีสงสัยคำว่าสมาธิคืออะไรและคำว่าภาวนาคืออะไรเจ้าคะเหมือนกันไหมเจ้าคะสมาธิคือความตั้งใจมันนม่นนายโยมสติคือการระลึกได้โยมกําลังเพลินกับอารมณ์แล้วโยมทิ้งอารมณ์ปั๊บกลับมารู้ลมหายใจเนี่ยอาการระลึกได้กลับมาเนี่ยน่ยเรียกสติสติคืออาการระลึกได้เกิดแล้วก็ดับไปแล้วแป๊บเดียวขณะที่โยม กลมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยเรียกสัมปัชัญญะความรู้ตัวและถ้าโยมสามารถดำรงสัมปัชชัญญะความรู้ ต, ตัวตรงนี้ได้ต่อเนื่องยาวนานเรียกสมาธิคือตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เนี่ยลมหายใจเนี่ยได้นานๆเนี่ยสมาธิผู้เจ้าบอกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดนะเมื่อทําสมาธิแล้วจักรู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งอริยสัจสี่ โยมก็จะเห็นสัจจาว่าจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์มันเดียวเนี่ยมันตั้งมั่นไม่ได้ในที่สุดมันก็จะดับแล้วก็เกิดใหมนะ่โยมก็จะเห็นความจริงว่าทุกอย่างมีการดับและการเกิดเกิดดับตลอดเวลาสมุทัยกับ น, นิโรธเห็นอริยสัจแลสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับนะนั้นทําสมาธิให้มากนะแล้วจะเห็นการเกิดการดับเห็นสัจจ์ความจริง ทำสมาธิมากชื่อว่าลาดเอียงโน้มเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานด้วยนั้นสมาธิมีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่สมาธิไม่ใช่เครื่องวัดความเป็นอริบุคคลนะผู้เจ้าไม่เคยเอาสมาธิมาเป็นเครื่องวัดอริบุคคลสมาธิเป็นเครื่องช่วยเห็นสัจจความจริง เห็นแล้วปล่อยวางนั่นแหละถึงจะได้ความเป็นอริบุคคลซึ่งจะมีเครื่องวัดก็คือตามคู่มือโสดาบันนะสี่สิบกว่านายาที่พระเจ้าตรัสเอาไว้เมื่อกี้ท่านท่านเมื่อท่านเมื่อกี้ที่ถามไว้เจ้าค่ะว่าสมาธิที่คืออะไรแล้วคาว่าภาวนาเจ้าค่ะมีอ่อ๋อภาวนาภาวนาก็คือการทําให้เจริญขึ้นตามการทําจิตให้เจริญ น, นะ สมาธิภาวนานะจะมีสี่อย่างสมาธิภาวนาที่ทำให้เกิดความสุขในปัจจุบันสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อยานทัศนะสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อการสิ้นอาสว ะ, ะมีสมาธิและมีการภาวนา ภาวนาคือการให้เห็นตามความเป็นจริงทำจิตให้เจริญขึ้นคือมีสมาธิเกิดขึ้นคือเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าหรือคือปัญญานั่นเองเห็นขันธ์ห้าเกิดดับท่านผู้นี้สงสัยว่าการนั่งสมาธิบนเก้าอี้ในท่านั่งสำหรับคนที่มีสุขภาพไม่ไม่พร้อมเจ้าค่ะ Uh huh. จะได้ผลของการปฏิบัติเท่ากับคนที่นั่งขัดสมาธิอยู่ที่พื้นไหมเจ้าคะนอนอยังได้เลยเยอมันอิริยาบทไม่ไม่เกี่ยวอย่างนี้โยมเป็นคนป่วยนอนบนเตียงก็ทำไม่ได้สิใช่ไห ม, มแต่ถ้าโยมไม่ป่วยเนะ่นอนก็จะหลับซะก่อนมันนะอันสบายเกินใช่ไหมเราก็ดูเอาเนาะ แต่ผู้เจ้าบอกหลับดีกว่าตื่นแล้วฟุ้งซ่านนะนั้นหลับไปก่อนนะดีกว่าตื่นแล้วฟุ้งซ่านนะผู้เจ้าบอกพิสุแม่นอนอยู่แต่ถ้าเท่านั้นนอนทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าพิสุนั้นป่ลกความเพียนตลอดนะเนี่ยลองดูพระสูตรนี้ก็ได้พิกสุกําลังนอนเห็นไหมถ้าเกิดคุ้นคิดด้วยการคุ้นคิดในทางการทางเดือดแค้นทางทําผู้อื่นให้ลําบากเปล่าๆขึ้นมา ภิกษุก็ไม่รับเอาความปรุนคิดนั้นไว้สละทิ้งปลายถ่ายทอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือมีแต่ทิ้งทั้งนั้นเลยเห็นหักก้มจักีพระสูตรก็ตามผู้เจ้าสั่งให้ทิ้งอารมณ์ละนันทิละนันทิทิ้งออกไปอกุศลต่งตางๆภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเปลี่ยนเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งอกุศลเป็นคนปาราความเพลียนอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนงนิดแล เขาไม่ได้ขี้เกียจนะเห็นเขานอนนะนะเราไม่รู้การทําในใจของเขานะขอกราบเรียนถามถึงอนิสงส์ที่ที่แท้จริงของการตักบาตรคืออะไรและการที่เราตักบาตรกับพระสงฆ์ที่มารอบินทบาทอยู่ที่ต่างๆเป็นประจําเช่นหน้าตลาดเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เจ้าคะ่ะก็พระสงฆ์บินทบาทที่ไหนก็ได้อยม จะไม่ให้บินทบาตในตลาดเหรอต้องไปบินในป่าอย่างเดียวก็ไม่ได้บินที่ไหนก็ได้ยอมสะดวกที่ไหนก็ใส่ที่นั่นอันนี้สงฆ์ทําะไรก็ให้พระมันอยู่รอดนะ่ะนะเพราะว่าภิกษุเนี่ยเข้าถึงอาชีพขอทานนะพเจ้าบอกเลยนะถ้าพระอยู่รอดก็คือพระศัทธธรรมผู้เป็นพยานในคาสอนพระศาสนาก็สามารถอยู่ต่อไปได้นะ ท่านก็สามารถที่จะถ่ายทอดบอกสอนะธรรมะให้เราต่อได้นะพิษุเนี่ยเข้าถึงอาชีพขอทานนะพระองค์จัดไว้นะบอกว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอาชีพต่าที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทานดูก่อนพิสุทั้งหลายคำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถิดดังนี้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 เราทั้งหลายเป็นผู้ถูกอย่างเอาแล้วโดยชาติชลาหมอนนะเขาเห็นความทุกข์ในสังสารวาัฏเขาถึงบวชนะอย่างนี้ต่างหากนั้นเข้าถึงอาชีพนี้นะนั้นพระก็ภิกษุเป็นผู้ขอภิกขุจริงๆในบาลีใช้คาว่าภิกขุคือผู้ขอนะก็เพื่อให้ภิกขุเนี่ย ไม่ต้องมีพาระอะไรนอกจากการทำจิตภาวนาเพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพระองค์จึงบอกว่าบรรพชาเนี่ยเป็นโอกาสว่างพระองค์บอกว่าคารวทคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการจะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดอิแล้วเนี่ยมันทำได้ยากพระองค์จึงวางระบบระเบียบการใช้ชีวิตของภิกษุนะ ด้วยการเข้าถึงอาชีพนี้คือขอทานนะบินธบาตแต่มีระบบระเบียบวินัยในการขอเช่นแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้บัญญัติวินัยในการขอไว้เห็นเขากินก็เอาบาทไปยื่นข้างหน้าเขาก็ไม่เหมาะก็เลยต้องบัญญัติเรื่องการบินธบาตอย่าเดินไกวแขนเยาะผ้าโปกหัวมีสายตาทอดลงต่ำมีเสียงน้อยไปในระแวกบ้านอย่าเดินคุยกันขโมงโฉงเฉงไม่ได้หมจีวรซ้อนสังคากลัดลังดุมลูกดุมนะ บาดอยู่ในชีวรบัญญัติรายล ะ, ละเอียดหมดเพื่อให้เกิดความสํารวมเพื่อให้เกิดศรัทธาความเริ่อมใส่แก่คนที่ยั ง, ยงไม่เริ่อมใส่และเริ่อมใส่ ย, ยิ่งขึ้นแก่คนที่เริ่อมใส่แล้วนะนั่นจะเป็นกลุ่มกลุ่มบุคคลที่มีวินัยสูงมากนะกลุ่มสังคมของผู้เจ้าเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีวินยัยความละเอียดสูงนะเพราะบัญญัติต่างๆเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติเพื่อความเรียบร้อยดีงามของหมู่คณะ และความตั้งมั่นของพระสัทธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการพ้นทุกข์ด้วยจะทำให้ตัวพิสูจน์นั้นเนี่ยเป็นพยานในคาสอนได้อย่างรวดเร็วก็จะได้ถ่ายทอดให้กับอุบาสกอุบาสิกาต่อไปได้ศาสนาจะได้ตั้งมั่นดำรงอยู่ได้นานดวงจิตหลังๆที่เกิดมาในโลกมนุษย์ก็จะได้อาศัยพระธรรมคาสอนเนียหลุดพ้นจากสังสารวัฏ ให้ได้ไหนที่สุดนั่นเองนะยังมียังมีคำถามทั่วไปอีกสิบประมาณสิบคำถามะจะเก็บไว้ <ใน S 2> พรุ่งนี้มะหรือว่าจะต่อเลยเอ่อหมดเวลาสำหรับคืนนี้หรือยังไม่ลึกสามทุ่มครึ่งใช่ไหมเรากล่าวไว้ประมาณสามครึ่งหรือจะดูว่าตอบสั้นๆันม้มมี เช่นคำถามอะไรบ้างเนาะอันนี้น่าจะเป็นคำถามเร่งด่วนเจ้าค่ะอืรู้สึกเบื่ออยากกลับบ้านเจ้าค่ะอ๋อเร่งด่วนเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องตอบเจ้าค่ะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะไม่เป็นไ ร, รช้แนะดยเจ้าค่ะแสะดงว่ายังเห็นประโยชน์น้อยเป็นธรรมดานะอไปก็เบื่อทุกเรื่อ ง, งเลยโยมเป็นฆราวาสก็เบื่อเป็นนักบวชก็เบื่อนะอ่าคนบวชเนี่ยอยากศึกเยอะแยะเนี่ย เบื่อเบื่อมโนโะยมนะเป็นหมูหมากาไกา่มันก็เบื่อนะเป็นเทวดาพรมก็เบื่อกราบได้โยมยังมีกิเลสนะไม่ละกิเลสเบื่อหมดนะอนะ่แล้วโยอมจะหนีความเบื่อไม่ได้กลับไปบ้านโยมว่าไม่เบื่อแล้วเบื่ออีกนะมาปฏิบัติโอ้เบือ่อขับไปบ้านเบื่ออีกนะอนตาตมาก่อนบวชเนี่ยกลับไปกลับมาอยู่วัด น, นานๆเป็นเดือนกลับมาทางโลก ก็บเบื่อไปที่วัดนานๆนึกว่าจะอยู่ได้ดีเบื่ออีกเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนไม่เบื่อนะพู้เจ้าจึงบอกพระองค์ไม่เห็นใครในโลกที่ไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะ จ, จิตเว้นพระอาหารหันต์ขีนาศพเท่านั้นนะเรายังไม่สามารถสร้างสาระให้กับตัวเองได้นะความเบื่อพวกนี้จึงเกิดขึ้นแต่โยมสร้างความเบื่อแบบไหนแบบใหม่ให้เบื่อในสังสารวัร นะเบื่อนายในตาหูจมูกลิ้นกายใจทําไมโยมไม่ปรับความเบื่อให้มันมาเบื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเบื่อสังสารวัตนิเลอเกินอยากออกอยากหลุดพ้นเนี่ยโยมจะได้ความประเสริฐความเป็นอริยบุคคลขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยพยายามพลิกเป็นมุมปัญญานะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพยายามหยิบฉวยใช้โอกาสที่ไม่ใช่จะมีได้ง่าย สำหรับบุคคลคนเกิดมาจะเจอคำพระศาสดาไม่ใช่เจอได้ง่ายพระทุกองค์ก็บอกว่าเขาสอนคำพระพุทธเจ้ากันหมดแต่จริงๆแล้วใช่ไหมอาตมาก็กำลังให้โยมดูว่าไอ้ที่พระเขาบอกเขาสอนคำพระพุทธเจ้านะ่ะเขาสอนจริงหรือเปล่าปรากฏว่าไปคนละเรื่องเลยใช่ไหมไอ้สิ่งที่โยมรู้มาแล้วคิดว่าแน่นอนละอันนี้แน่นอน อาตมาก็แล้วมาให้ดูอะไอ้ที่แน่นอนน่ะแน่นอนจริงหรือเปล่ารู้มาจากไหนอะไรยังไงสืบทอดกันมาถูกต้องแน่นอนไหมไม่ใช่อีกแล้วนะอาตมาก็เคยเป็นเหมือนกระยมนี่แหละนะคิดว่าโอ้วอันนี้รู้มาแน่นอนละมาไม่ใช่อีกแล้วต้องเปลียอีกแล้วนะเพราะนั้นเรากำลังมาเสพคบกับธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยตรงเมื่อ2อพันร้อยกว่าปี ย่อต้องพยายามสร้างฉันท่าความพอใจอ่ะโอเราไม่เคยรู้ในสิ่งที่ที่มันไม่ได้รู้มาก่อนนะ่ะมันน่าจะตื่นเต้นนะอ่าน่าจะตื่นเต้นน่าจะโอ้มีความยินดีนะว่าโอ้นี่ถ้าไม่มีใครมาบอกเรานี้เราก็คงจมกับความรู้ผิดผิดไปตลอดยันตายใช่ไหมอ่าย่อจะต้องรู้สึกดีใจด้วยซ้ำว่าเหมือนเปิดโลกทัศน์ใหม่เลย ผู้เจ้าจึงบอกว่าถ้าเธอศึกษาพุทธวจะนะแล้วเนี่ยเธอจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้จะบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยให้ใคลายลงไปได้นะแล้วไปดูหลักการฟังธรรมไม่รู้เรื่องนะนั้นโยมพยายามปรับนะทัศนคติความเห็นเพราะถ้าโยมฟังธรรมขนาดไหนก็ตามถ้าโยมมีอาการแบบนี้โยมจะไม่รู้เรื่องนะ ดูที่พระเจ้าบัญญัติเรื่องเหตุแห่งการฟังธรรมไม่รู้เรื่องภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบอยู่ด้วยเหตุท่าอย่างแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเหตุท่าอย่างอะไรเล่า5อย่างคือสนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเอง มีจิตฟุ้งซ่านไม่มีเอกัขตาจิตฟังธรรมและทำในใจไม่แยบคายภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยเหตุท่าอย่างเหล่านี้แหลแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายได้การฟังของโยมจะไม่เกิดประโยชน์เพราะโยมไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้เลยในยะอื่นไปดู สนใจแต่คําพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเองเป็นคนโง่เง่าเงอะงะมัวสําคัญแต่มัวแต่สําคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้ไปดูในยะอื่นเป็นคนลบหลู่ฟังธรรมมีจิตมากไปด้วยความลบหลู่แข่งดีฟังธรรมคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งแข็งกระด้างเป็นคนโง่เง่าเงอะงะมัวสําคัญ มัวแต่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้นัยยะอื่นมีมหมอ่าหมดแล้วเนี่ยนี่คือนัยยะต่างๆนะบุคคลประกอบด้วยเหตุท่าอย่างเหล่านี้แหลแม้ฟังทำอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะก้าวลงสูนิยามคือความถูกต้องในกูสุลธรรมทั้งหลายได้นะนั้นปรับใหม่ให้ตรงกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บอกสอนไว้นะเปิดสมองโล่ง รับข้อมูลไปรับข้อมูลไปค่ายควรพิ่นานั่งสมาธิเดินจงกรมหยิบธรรมะพระศาสดามาค่าควรนะเราต้องมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในพระศาสดาของเรานะการที่จะรู้ตามสัจธรรมศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ค่าควรพิ่าเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ธรรมะเนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์ ฉันท่าความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันท่าย่อมมีสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไวในธรรมนี่คือ12ขั้นตอนของคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วจะรู้ธรรมะได้อย่างไรน ะ, อ, ะอย่าปล่อยโอกาสให้เสียไปนะมีโอกาสว่างแล้วเสพธรรมะให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากนะเป็นมนุษย์จะได้มาฟังธรรมะก็ยากฟังธรรมะาศาสาจะเข้าใจก็ไม่ง่ายนัก นะพยายามตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติไข้ควนะ9วัน10วันแป๊บเดียวแ๊บผ่านไปแล้วยมจะกลับมาย้อนนึกว่าเออไม่เสียดายชีวิตแล้วนะอุตส่าห์มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยคุ้มค่านะเวลาในการเที่ยวตเตรดูหนังฟังเพลงคลุกคลีกับลูกหลานนะพ่อแก่แม่เฒ่ามีทั้งชีวิตแต่เวลาที่จะปฏิบัติ ไม่ง่ายนะไม่มากนะบางคนมาจะมาบวชที่วัดอยู่เป็นพระขาวได้สามวันเพ่นหนีกลับไปลนะผ่านไปสักสองสมวันพ่อแม่โทรมาบอกว่าไปขับมอไซค์ซิ่งตายไปซะแล้วนะเนี่ยความตายมันอู้มันอยู่วินาทีต่อวินาทีเยออย่าประมาทพยายามตักตรงคุณงามความดี เราพึ่ปฏิบัติไปให้มากที่สุดไม่รู้ว่าความตายจะเกิดกแกเราเมื่อไหร่นะพระอยู่วัดก็ตายได้นะโยมนะมพระฝรั่งนี่ตายมาไม่รู้กี่องค์แล้วลื่นในห้องน้ำคางเสยที่ใส่สบู่ตายอีกคนไปนั่งสมาธิในถ้ำตายอีกคนหนึ่งป่วยไปช่วยพระแบกขอนไม้ตากฝนนะไข้ขึ้นหนักตายนะเพียบเลยอาตมา อยู่เป็นพระมันนี่ได้ยินข่าวพระตายเนี่ยเกือบยี่องค์แล้วตายในวัดเนี่ยนะเยอะมากนะอีกวัดหนึ่งก็ไปฉันเอ๊ะทำไมองค์นี้ไม่มาฉันไหนะมันนานว่าไม่มาไปดูที่กุฏิซิกําลังผูกคอตายนะ่ะโอ้ยนั่นอีกหนึ่งนะดีว่าช่วยทันนะผูกคอตายเนี่ยได้ยินมาสามสามลายละตายสําเร็จการตายหนึ่งไม่สําเร็จสองนะช่วยทันนะอ่า มีหมดนะโยมนะพยายามนึกถึงความตายให้ ม, มากๆแล้วยมอยากจะปฏิบัติทำวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตอบให้อีกทีนะได้สำหรับคลิ น, นี้ก็คงสมควรแก่เวลาเนาะเดี๋ยวอุโสมาร์จะนัดนะอะไรกับนัดโยมนะ